กลาวนำพิการครับอาจารย์ครับอ่าจริญพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่หนึ่งร้ยสามสิบสามครับอาจารย์ตอนนี้มีผู้ฟังรอฟังอยู่แปดร้อยเจ็ดสิบเก้าคนแล้วครับอาจารย์ครับอืมดีแสดงว่ามีคนสนใจพอสมควรนะครับอาจารย์ครับวันนี้อาจารย์บินตาบดคนเยอะไหมครับผมสี่ร้อยสี่สิบเก้า วันนี้เยอะเลสี่อยนีครับเมื่อวานนี้สี่รอยเก้าวันนี้สี่ร้อยสี่บเก้าอืมช่วงนี้มีคนเพิ่มกันมาอยู่เรื่อยๆครับ ม, มีคนอยากทำบุญมากขึ้นเรื่อยๆได้ยินชื่อเสียงแล้วครับบางคนก็บอกว่าเขาผ่านรู้จักผ่านทางทางช่องหมอวีเวลาเขาเดินทางมาผ่านมาแถวนี้เขาก็เลยตั้งใจมาใส่บาตรกัน คุณใหญ่คนส่วนใหญ่จะมาจากที่อื่นคนพื้นที่มีประมาณสักร้อยคนได้ไม่น้อยกว่าคนคนชาวบ้านที่ั้องน้นก็มาจากจังหวัดใกล้เคียงและไก่มีทั้งใกล้และไกลบานนี้ก็มีชาวต่างชาติด้วยผ ม, มีลูกศิษย์เยอะนะครับอาจารย์ดี ช, ช่องผมเลยกลายเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ธรรมะเลยครับดีมากเลยครับอาจารย์ครับพอดีอเราจะได้ครบสมบูรณ์ น, นนะคุณหมอก็ให้ความรู้ทางร่างกายแล้วก็ทางเราก็ให้ความรู้ทางทางจิตใจท้าดูได้แต่ร่างกายอย่างเดียวมันก็ยังไม่สมบูรณ์ครับอาจารย์ครับวันนี้ก็เลยกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ อสอนเรื่องบารมีที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาครับอาารครับกับคอวอามเมตตาครับผมคือบารมีนี้ก็คือคุณนรำสิ0ประการที่จะผลักดันผู้ปฏิบัติให้ไปสู่พระนิพพานได้ด้วยตนเองถ้เาเกิดในมอเกิดในกในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนานาทางก็ต้องอาศัยบารมีทั้งสิบนี้ที่ได้หมั่นสะสมมาแต่ละพบแต่ละชาติตนกว่ามันจะ มีกำลังมากพออย่างเจ้าชายสิทธัตถานี้ท่านก็อาศัยบารมีสิทเป็นผู้บังานให้ท่านตัดสุลุเป็นพระพุทธเจ้าเพราะตอนที่ท่านบำเพ็ญไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีสอนอริยา ส, ารสัจสีไม่มีสอนเรื่องไตรลักษณ์เพราะองค์ก็เลยต้องใช้บารมีเก่าที่สะสมมาปัญญาก็คือปัญญาที่ฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาเรื่องราวต่างๆหาเหต้าผลตามหลักตรกะต่างๆ ในสมัยที่ที่ท่านเป็นเจ้าชายก็พระราบิดาก็หาอาจารย์มาสอนแต่อาจารย์แต่ละคนมาสอนนี่สู้สู้พระพุทธเจ้ารู้มากกว่าตรงนั้นนี่เ ร, เรียกปัญญาบาลมีท่านเคยสะสมมามากแล้วก็เดี๋ยวจะเล่ามีบาลมีทั้งสิทธิประกานนะรที่เราอาจจะต้องอาใส่ถ้าเกิดเราตายไปแล้วภพนี้ชาติหน้าเรามาเกิดไม่เจอพระพุทธศาสนาแล้วก็จะไม่มี มากแปดไม่มีอ ร, รุญาตักด์สีมาสอนเราให้ไปถ้ามีมันก็เร็วมันมีทางลัดใี่ไหมก็พระพุทธเจ้าส่งไปมาแล้วก็บอกทางได้แต่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีาศาสนาพุทธไม่มีพระอาหารอยู่ก็ต้องอาศัยบารมีสิบเนี่ยเป็นผู้ที่จะผลักนั้นให้ไปสู่พระนิพพานได้โดยตัวเองอย่างประวัติพระพุทธเจ้าเขาสร้างบารมียามาอย่างโชคช่วยในตลาลบับารมี พระเตมีพระพระเวชสันดรพระบารมีสิบเนี่ยถ้ามีพระพระเจ้าสิบชาตินี่ก็คือสแสดงการบําเพ็ญบารมีแต่ละบารมีในในในแต่ละภพแต่ละชาติพระหมหาชนกเนี่ยก็ไหว้นะวิรนะิยะบารมีพระเวชสันดรก็แจกจาก่ายเงินทองเข้าของก็เรียกว่าทานบารมี ถ้าเต็มมือก็สึกว่าท่านยังมีอุบเบกขาบารมีนิ่งเฉยอันนี้ก็เป็นบารมีต่างๆถ้าอยากจะรู้ว่าพระเจ้าสมเพนบารมีสิบนี้ได้งไงก็ไปอ่านพระเจ้าสิบชาติเนี่ยที่เป็นนิทานชาดกแต่เป็นความจริงเพราะเป็นเรื่องที่พระเจ้าทร ง, งสอนเพราะพระองค์สามารถรับลึกชาติฐ า, าชาติของพระองค์ได้พระองค์กล่าวเรื่องที่ มัรเป็นบารมีของพวกแต่ละชาตินี้มาเผยแผ่ให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ว่าจะจะสร้างบารมีแต่ละอย่างนี้ ต, ต้องต้องต้องเต็มร้อยต้องสู้เต็มที่ไม่ใช่ว่าทำแบบครึ่งๆ่งกลางๆอะไรท้อนีรพระมหาชนกลอยอยู่กลางทะเลก็ไม่ไม่ถอยไหวไป พวกเราถ้ารออยู่กลางทะเลเขาก็ไม่ไปดีกว่ายอมตายดีกว่าไม่ไหวไม่เห็นฟังเลยครับเาั้นบารมีที่เราต้องบําเพ็ญกันสมมติว่าถ้าเผื่อชาติหน้าเราไม่ได้เจอศาสนาพุทธแล้วเราจะต้องบําเพ็ญไปหลายภพหลายชาติก็พยายามบําเพ็ญให้มันเป็นนิสัยไปให้มีนิสัยมีเมตตาบารมีบําเพ็ญเมตตาบารมีแล้วก็ทานบารมี ศีลบาลมีเนคขมะบาลามีก็คือการการออกบวชการออกจากกามมาสุขเรียกว่าเนคขมะบาลามีโมเบกขาบาลมีก็คือการทําใจให้นิ่งสง บ, บเข้าสู่รูปฌปานสี่ให้ได้และปัญญาบารมีก็คิดดับคิดคิดในทางตักกะเหมือนนักวิญญาศาสตร์คิดด้วยเหตุด้วยผลว่ามีสิ่งนี้ก็ทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้น เาไม่มีสิ่งนี้สิ่งนั้นก็ไม่เกิดขึ้นมาดับไปคือการใช้ปัญญาคิดแบบนี้แล้วก็ต้องมีบา ร, รมีทีส่สนับสนุนให้สร้างบา ร, รมีทั้งหกนี้ก็คือสัจจะอธิษฐานต้องต้องมีสัจจะอธิษฐานว่าพบทุกพบทุกชาถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์เราจะต้องบาเพ็ญบา ร, รมีเหล่านี้แล้วก็สนับสนับสนุนด้วยวิริยะบา ร, รมีความเพียร ก็ขันติบารมีเวลาเกิดความทุกข์เกิดอุปสรรคต่างๆเกิดความทุกข์ยากลากํ า, าลบากก็ใช้ขันติบารมีไม่ท้อถอยเราสามารถสร้างบารมีทั้งสิบนี้ไปได้เรื่อยๆพยายามปลูกฝังให้มันเป็นนิสัยไปแล้วเวลาเกิดมาเป็นมนุษย์ทุกข์ทุกยากก็จะมาบําเพ็ญบารมีเหล่านี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะพร้อมที่จะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าด้วยตนเอง หรือถ้าไม่พร้อมไม่เจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็จะง่ายเพราะว่าบา ร, รมีเหล่านี้ก็เป็นองค์ประกอบของมรรคที่ไม่มีอย่างเดียวก็คืออริยสัจสี่อริยาาสัจสีไม่มีไตรักษ์ดังนั้นเองทำเีจอพระพุทธเจ้ามันก็มันก็ง่ายเพราะได้ยอดของบา ร, รมีก็คือปัญญาปัญญาต้องเห็นอริยาาสัจสีต้องเห็นไ ต, ตนรักษ์เห็นยระตัณหา ทั้งสามได้ดับความทุกข์ต่างๆได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปถึงความนิพพานได้ด้วยปัญญาแต่ต้องมีการสนับสนุนด้วยโอเบคาบาลมีเนคขามะบารมีศีลบาลมีทานบาลมีเมตตาบาลมีแล้วก็สัจจะอธิฐานบาลมีวิริยะบารมีแล้วก็คันติบาลามี นี่คือคุณธรรมศีลประการที่เราควรจะฝึกฝนอบรมฉะนั้นเราจะตั้งใจทำอะไรก็ตั้งแบบเอาให้มันแน่วแน่อย่าอย่าลีรอ้อยอย่าอย่าสองจิตสงใจตั้งแล้วก็ไม่ทำตามที่เราตั้งนี่แสดงว่าไม่มีสัจจ ะ, ะต้องมีสัจจะตั้งว่รราจะทำอะไรเช่นคืนนี้ตั้งใจจะมาฟังเทศที่นี่ก็ต้องมาให้ได้ถ้าถึงเวลาก็ขี้เกียจดูดูฟุตบอลดีกว่าดูกอลดีกว่าอะไร ก็อาจจะไม่มาดูก็ได้ต้องมีความตั้งใจแล้วก็ผูกมัดด้วยสัจจะความจริงใจแล้วก็องมีความเพียรพยายามติดตามมีความอดทนถ้ามันมีอุปสรรคมีความทุกข์ยากลาบากก็อดพยายามผ่านฝ่าไปให้ได้แล้วเราก็จะสามารถสร้างบารมีต่างๆได้ เมตตาบาลมีทานบาลมีศีลบาลมีนิคัมมะบาลมีอุเบกขาบาลมีปัญญาบาลมีเนี่ยนะคือสเสบียงสเสบียงของจิตใจเป็นเหมือนวเวลาเดินทางไกลนี่เราต้องสะสมสะเสบียงจอดแวะตามสถานีบริการแบบน้ํามันให้รถยนต์เติมน้มําเติมอะไรเติมลมถ้ามันขาดคนขับก็เข้าห้องน้ําบันเทาทุกข์แล้วก็ หาอาหารกินหาของกินหาน้ำดื่มแล้วสะสมไว้ในรถถ้ามีสเบียงครบทวนรถก็จะวิ่งไปโดยไม่หยุดชนะงักคนขับก็ไม่ลำบากไม่ทุกยากลำบากเพราะมีเสเบียงมีเวลาหิวก็มีอาหารกินไม่ได้หิวน้าก็มีน้ำดื่มทานองนี้นั่นเ้เป็นเป็นสเบียงของของจิตใจที่จะพาให้ไปสู่พระนิพพานตามลำดับต่อไป ขอบพระคุณพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับสอบถามเพิ่มเติมครับอย่างปัญญาบา ร, รมีที่เราเรียนรู้มาแล้วว่าเรามีไตรลักษณ์อันนี้จังตุกขังอนัตตานะครับอาจารย์แต่ถ้าเกิดชาติหน้าเราไปเกิดอีกแล้วไม่ไม่พบพระพุทธเจ้าเนี่ยความรู้สึกว่ามีไตรลักษณ์มันยังอยู่ในใจไหมครับอาจารย์ครับไม่นะนอกจากเป็นพระโสดามันขึ้นไปนะต้องเห็นด้วยการปฏิบัติอันนี้เห็นด้วยความจําสัญญาเดี๋ยวก็ลืมยิ่งตายไปก่อนจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กไม่รู้กี่ร้อยชาไอ้กี่ร้อย ปีร้อยปีความจําที่เราได้เรียนรู้ด้วยความจํานี้มันจะไม่ติดไปกับใจมันจะติดไปจากการปฏิบัติเทตอนั้นจากการเห็นจากการปฏิบัติถ้พอเป็นพระโสดาบันแล้วทีนี้ก็สามารถปฏิบัติมรรคแปดได้ด้วยตนเองแล้วไม่ต้องมีพระพุทธเจ้าไ ม, ม่ต้องไม่ต้องมีพระศาสนาแล้วก็สามารถบรรู้ถึงพระนิพพานได้ไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมาก แต่ถ้ายังไม่ได้เห็นอริยสัจไม่ได้เป็นโสดาบันนี่ก็เกิดมาชาติหน้าบางทีปัญญาบาระีก็อาจจะจําไม่ได้แล้วอริยสัจสี่เป็นยังไงไตายรักเป็นยังไงตอนที่เป็นโสดาบันไปเกิดใหม่นี้คืออาจจะไม่รู้ชื่อไตายักษแต่ความรู้สึกเขาจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์เขาจะรู้กันไมเนะทุกข์ทุกสิ่ด้วยอย่างเป็นทุกข์เพราะมันไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นสภาวะธรรมธรรมธรรมชาติเข้าใจแล้วครับอาจารย์กลับขอบพระคุณครับผ ม, มเดี๋ยวผมขอพยายามทำเพิ่พมมีเหล่านี้ถ้าเรายังไม่สามารถปฏิบัติออกบวชเป็นนัก อ, ออกบวชแล้วก็ปฏิบัติมรรคแปดได้เราก็ทำทานไปก่อนรักษาศีลห้าไปพันพางก่อน แล้วก็มันมันมันว่างๆสาวทิ์ก็ไปอยู่วัดไปไปไปบวชชั่วขาวไปทือสิบแปดในขมมะอะเมเพื่อฝึกสมาธิให้จิตรวมเป็นตัตและรวมเป็นรูปฌานเพื่อที่จะได้อุบเบกขาบารมีส่วนปัญญาก็เหมือนฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ อาจารย์ครับมีคุณพัชรวัตรถามบอกว่าการสั่งสมบา ร, รมีที่ไม่ให้หลงทางควรปฏิบัติเช่นไรและมีข้อควรระวังส่วนใหนบ้างครับก็ น, นี่แหลถ้าอยู่ในบา ร, รมีทั้งสิ้นนี้ก็ไม่หลงทางนะาารรถ้าเมตตาบารมีท่านมีแผ่เมตตาให้ให้ความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงต้องแผ่ด้วยการกระทำนะไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดเท่านั้นการสวดนี่ยังไม่ถึงว่าเป็นการแผ่เมตตาการ การการแผ่เมตตาต้องด้วยการกระทาเช่นเราเราทำบุญใส่บาตรหรือสองเคราะห์คนทุกตกทุกได้ยากนี่เราก็แผ่เมตตาให้กับเขาะล้าให้ความความสุขกับเขาต้องต้องปฏิบัติไปปฏิบัติอยู่ในแนวสิบ ป, ประการนี้ก็ไม่หลงทางถ้าถ้าไปทางอื่นก็ก็ไม่ก็ไม่ใช่ทาง คุณแว่นครับนอนหลับสามทุ่มตื่นเข้าห้องน้ําตอนตีสองกลับไปนอนไม่ค่อยหลับจะเห็นจิตลงไปคิดเรื่องราวต่างๆพยายามภาวนาพุโทโธพุโทโธทีๆแล้วจิตก็ไม่สงบควรจะกําหนดจิตอย่างไรดีให้นอนหลับลึกได้ครับปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเวลามันมนนอนไม่หลับก็อยากไปอยากให้มันหลับเพราะยิ่งอยากให้มันหลับมันยิ่งไม่หลับอย่างแล้วก็เวลาพุโทโธก็พุโทโธไป แต่อย่าไปพูดโธเพื่อให้มันหลับเรามีห น, น้าที่พุโทโธพุโทโธเพื่อหยุดความคิดอย่าให้มันคิดเรื่องราวต่างๆคอยสังเกตดูว่าเราพุโทโธแล้วยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าถ้ายังคิดอยู่มันก็จะไม่หลับเพราะบางทีเราคิดเราอย่ากเมื่อไหร่จะหลับสักทีเมื่อไหร่จะหลับสักทีไม่หลับแล้วเกิดอาการหงุดหงิดใจขึ้นมามันก็ยิ่งหลับยากและยากใหญ่เวลาพุโทโธพุโทโธนี้เราอย่าไปที่ว่ามันจะต้องหลับ มันจะหลับไม่หลับก็เรื่องของมันแต่หน้าที่ของเราคือเราละการหยุดความคิดด้วยการใช้พุโทโธนี้มามาส ก, กัดไว้ถ้าเราหยุดความคิดได้เดี๋ยวสักพักมันก็หลับเองคพุทคุณดําครับรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแต่ก็ยังกลัวตายควรทําอย่างไรให้ความกลัวตายลดน้อยลงและหมดไปได้ครับก็ต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายเป็นเพียงดินน้ำลมไฟประกอบมาจากท่าสี่ดินน้ำลมไฟเราคือจิตไปยึดไปติดมันไปเกาะติดมันเพื่อใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการก็ททำอะไรต่างๆพอเราใช้ร่างกายเราก็เลยเกิดความยึดมั่นอยาลักและหวงไม่อยากให้มันเป็นอะไรเพราะเวลาเราไม่มีร่างกายแล้วเราจะลาบากเราไม่สามารถที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้ เอาจึงไม่อยากตายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บกันแต่เราก็ต้องฝึกสอนใจอเรื่อยๆว่ามันเป็นธรรมดาร่างกายนี้มันต้องแก่เจ็บตายแล้วมันไม่ใช่เราเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ตายเพิ่งไปกมไม่ต้องกลัวแล้ว อ, อีกอย่างหนึ่งก็ต้องทําก็คือต้องฝึกสมาธิให้จิตนิ่งสงบนิ่งเฉยให้ได้ให้มีอุเบกขาถ้ามีอุเบกขาแล้วจิตก็จะปล่อยวางร่างกายได้ ตอนนี้ก็มันพยายามคิดอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายเป็นอนินจจางเป็ของไม่เทียงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาคิดอยู่บ่อยๆจนกระทั่งมันจดจําได้มันก็อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาความกลัวได้ในระดับหนึ่งมันทําให้เราทําเตรียมตัวเตรียมใจได้และเวลาที่เราไปฝึกสมาธิเราจิตมีความสงบเนี่ยเราก็จะสามารถปล่อยวางร่างกายได้ต่อไป คุณจอยครับเวลาฟังเทศพระอาจารย์สอนตอนบ่ายว่ามี2วิธีเราควรใช้วิธีไหนคะเราควรฟังเพื่อทําความเข้าใจหรือเปล่านอกจากว่าฟังแล้วไม่เข้าใจจะต้งค่อยฟังเพื่อทําสมาธิคือจับออกเสียงเป็นอารมณ์กรรมฐานครับใช่เป้าหมายแรกเราต้องการฟังเพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดความเข้าใจเพราะปัญญามันสําคัญกับสมาธินะแต่สมาธิก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีเหมือนกันถึงแม้ไม่สําคัญเท่ากับปัญญา ปัญญาแม่โดยไม่มีสมาธิก็ไม่สามารถทําหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์ก็หยุดความอยากต่างๆได้เฉะนั้นถ้าเราฟังแล้วเราเข้าใจเราสามารถคิดตามได้เพราะบางเรื่องมันมีทำที่แสดงมันมีหลายระดับมันมีแสดงระดับทานแล้วก็ระดับศียงระดับสมาธิแต่ระดับนี้มันอาจจะมีความยากต่อการเข้าใจไปเรื่อยๆอย่างถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็ใช้เสียงเป็นเครื่องก่อมใจไป ่ถ้าเราเข้าใจจิตก็จะสงบด้วยได้ทั้งสองอย่างถ้าเราฟังด้วยปัญญาเนี่ยฟังเพื่อให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาทำให้เข้าใจปัญญาก็จะปล่อยวางมันก็จะทำให้ใจสงบได้ดงั้นเป้าหมายหลักก็คือฟังธรรมเพื่อให้ให้เข้าใจฟังให้รู้เรื่องต้องติดตามต้องคิดพิจารณาตามตามหลักตักกะที่ได้แสดงไว้มันมีห<อ>นังสือใน ในห้องเรียนนักฟิสิกส์วิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องเรื่องของตรรกะใช่ไหเราต้องฟังว่าการทำนี้จะทำให้เกิดอะไรขึ้นมาเราก็ฟังไปบางทีเราไม่เข้าใจาเพราะมันของขอ ง, ของใหม่ของยากเราไม่เคยก็ฟังบ่อยๆกลับมาฟังเรื่อยๆก็ได้ยิ่งสมัยนี้มันเราสามารถย้อนกลับไปฟังได้พอมีบันทึกไว้แล้ว คนที่ไปฟังทำแต่ละครั้งที่ได้บันทึกไว้เขาบอกฟังแล้วไม่เหมือนกันบางทีเหมือนกับไม่ได้ฟังมาก่อนเพราะบางช่วงขณะที่เราฟังเราเผลอได้ใช่ไหมเพอไปคิดเรื่องนั้นเผลอไปคิดเรื่องนี้ทําที่กาลังได้ยนนนินก็เลยไม่เข้าก็เลยจําไม่ได้เพราะาเหมือนกับไม่ได้ฟังงั้นฟังเทพซ้ำๆนี่มันจะช่วยให้เราเก็บเก็บรายละเอียดต่างๆที่เราอาจจะพังเผลอลืม ด้วยเผลอสติก็ได้ดงั้นโดยเป้าหมายหลักก็คือให้ฟังด้ว ย, วยให้เกิดปัญญาพิจารณาตามตถ้าพิจารณาไม่ได้ก็ใช้เสียงธรรมเป็นเป็นอารมณ์กรรมฐานแทนพุโทโธแทนลมหายใจไม่ควรใช้ลมหายใจไม่ควรใช้พุโทโธในขณะที่เราฟังธรรมเพราะมันจะมาชนกันเวลาฟังธรรมใช้เสียงธรรม เป็นเป็นเครื่องกอบมารมณ์ให้จิตใจสงบได้คุณจอยบอกว่าเคยได้ฟังที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพระอรหันสอนว่าเวลาฟังเทศล้วนั่งสมาธิไปด้วยอย่าส่งจิตออกมาฟังแต่ให้อยู่ในกรรมฐานของตนคำแนะนำนี้ถูกต้องไหมคะและหมายความว่าอย่างไรมันเป็นคำแนะนำเฉพาะผู้ที่มีความก้าวหน้าอย่างมากในการภาวนาเท่านั้นไหมครับ ถ้าเราอย่างภาวนาไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่ควรฟังเพื่อความเข้าใจไปก่อนถูกไหมครับก็เช่นเราฟังแล้วเราอย่าส่งจิตแล้วไปหาผู้แสดงอย่าลืมตาไปดูท่านทํานองนี้ให้จิตอยู่ข้างในให้ตั้งรับเสียงธรรมที่เข้ามาทางหูแล้วก็เข้ามาสู่ใจให้อยู่ข้างในอย่าส่งจิตออกข้างนอกความหมายบางคนฟังเราอยากจะดูหน้าตาครูบาอาจารย์ด้วยเหมือนกันดูหนัง ได้ฟังเสียงแล้วต้องเห็นภาพด้วยวเวลาฟังธรรมเราไม่ต้องการเห็นภาพแล้วต้องการฟังแล้วต้องการเสียงเพียงอย่างเดียวเห็นเราควรปิดตาเวล า, าฟังธรรมคุณจอยบอกว่าที่ได้ยินว่าในอดีตคนบรรลุธรรมเวลาฟังเทศกันเยอะมากดังนั้นถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรานั่งสมาธิแล้วเราฟังเทศไปด้วยเสมอทุกครั้งจะมีผลเสียอะไรไหมครับ ถ้าเป็นธรรมะที่ถูกต้องก็มไม่มีผลเสียนอกจากถ้าไปฟังธรรมที่บิดเบือนแล้วก็อาจจะทําให้เราหลงทางได้เราก็ต้องสังเกตว่าผู้ผู้แสดงธรรมนี้ท่านแสดงธรรมตามหลักที่พุทธเจ้าส่งสอนหรือเปล่าเช่นสมัยนี้มีบางท่านสอนว่าไม่ต้องไม่ต้องเจริญสมาธิไม่เจริญปัญญาเลยแต่ปัญญามันมีสามระดับระดับที่ที่หนึ่งที่สองมัน มืนยังมีกําลังไม่พอต้องปัญญาระดับที่สามคือภาวนาไมยะปัญญาก็ต้องมีปัญญาและสนับสนุนด้วยส ม, มะถะภาวนาก็คือสมาธิเนี่ยงนันงทีเราก็ต้องศึกษาจากต้นฉบับก่อนว่าผู้เจ้าสอนอะไรและเวลาที่เราไปฟังเทศไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆเราก็สังเกตดู ว, ว่าเปรียบเทียบกันดู ว, ว่าสอนเหมือนกันหรือเปล่าตรงกันหรือเปล่าหรือขัดกันตรงไหน เก็หลงทางไนดะ้อย่างอมคุลเมานก็หลงทางถูกอาจารย์สอนให้ไปฆ่าคนนี้คุณสิริพันธ์ครับขอสอบถามการทำบุญกับพระอาจารย์ควรทำเช่นไรครับก็รล้วแต่โยมมาใส่บาตรก็ได้ถ้าถ้าถ้าถ้าอยากจะทำถ้าอยากจะสะดกก็ถามคุณหมอดูก็แล้วกันคุณหมอก็มีวิธีบอกนหะ คุณสุรศักดิ์ครับระหว่างบริการพุโทโธเราต้องนึกคำบริการมเป็นตัวอักษรไหมหรือร ะ, ะลึกในใจเฉยๆครับระลึกในใจเฉยๆไม่ต้องนึกถึงตัวอักษรให้รู้ว่าเรากำลังบริการพุโทโธพุโทโธอยู่คุณช็อกโก้ครับ อยากทราบว่าเวลาหนูตักบาตรเช้าทุกวันและตามถนนด้านหนูตักบาตรแล้วแผ่กุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรแผ่กุศลไปให้ทุกๆสรรพสิ่งแต่ไม่ได้กรวดน้ําเพราะตักบาตรตามถนนตุกเชา้าถ้าไม่กรวดน้ําเจ้ากรรมนายเวรจะได้รับใหม่ครับอ๋อได้นะเราะน้ำเราไม่ต้องใช้น้ําเพียงแต่น้าเลือกอยู่ในใจขอทิศส่วนบุญส่วนกุศล ส, ส่วนนี้ให้กับบุคคลที่ล่งลับไปแล้วหแต่คนที่ยังมีชีวิตอยู่เราเร า, เราอุทิศให้เขาไม่ได้ ถ้าอยากจะอุทิศให้คนที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ เ, เงินที่เราใส่บาทนี้ไปให้เขาเลยอย่างนี้ก็จะทําให้เขาเกิดความสุขแล้วเขาก็จะบรรเทาวความเกลียดชังในตัวเราก็ได้เชนี้นเรามีเจ้ากรรมนายเวรยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราอยากจะอุทิศบุญให้เขาอยากให้เขามีความสุขเราก็เอาเงินของเราเนี่ยซื้อของไปให้เขาก็ได้หรือว่าเงินใส่ซองไปเขาก็ได้ที่บอก happy birthday วันดีปีใหม่อะไรทำนองนี้ แต่กับคนเป็นเราต้องเราต้องให้ของแต่คนตายเราให้ของไม่ได้เราก็เลยต้องให้บุญแทนคุณกระต่ายคอมเมนต์บอกว่าวันนี้หัวข้อน่าสนใจไม่มีรู้ว่าจะสร้างบา ร, รมีมาถูกทางหรือเปล่าครับเลยมารอฟังนะครับจะคุณพุทธชัยครับ ถ้าชาตินี้ยังไม่สามารถได้มรรคผลขั้นโสดาปรรมีทางธรรมที่สั่งสมยังมีโอกาสตามไปชาติถัดไปหรือเปล่าครับไปมันติดไปกับใจของเรามันเป็นนิสัยไปมันจะเป็นนิสัยเคยชอบทําบุญทําทานมานเกิดมันก็จะทําบุญทําทานต่อเคยรักษาศีลมันก็จะกลับมารัากษาศีนต่อมันอยู่ที่ว่าเราทํามากทําน้อยด้วยถ้าทําน้อยมันก็อาจจะมีอิทธิพลน้อยถ้าทํามากมันก็จะมีอิทธิพ ล, ลมากมีกําลังมาก ผลคอมเมนต์เยอะครับอาจารย์ครับทักทายสวัสดีแต่คำถามยังไม่มาครับไม่มีทองเก่าเลย อ, อยู่ทัหมดละทของเก่าอ๋อคำถามมีเรื่อยๆครับแต่ว่ามีมคนไทยมากอ๋อครับ จากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับอาจารย์บอกว่าคนที่จิตรวมเวลาออกจากสมาธิยังคงมีความสุขเหมือนตอนอยู่ในสมาธิไหมและเขาจะได้รับประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจําวันครับก็อยู่ที่ว่าเรารักษามันไว้ต่อนือไม่การรักษาความสงบได้จากสมาธิก็มีสองวิธีก็คือเจริญสติต่อไปออกมาแล้วเราก็ต้องหมั่นเจริญสติบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆหรือคอย เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายว่ากาลังทาอะไรอยู่อย่าปล่อยให้ใจคิดปรุงแต่งมันก็จะพอที่จะรักษาความสงบได้ต่อไปหรือถ้าเราใช้ปัญญาได้แล้วก็พิจารณาสิ่งที่ใจไปเกี่ยวข้องด้วยอยากมีอยากเป็นด้วยให้เห็นว่าเขาเป็นตายักเพื่อที่จะได้ระ ง, งับความอยากเพราะความอยากนี่เป็นตัวที่ทำให้ใจไม่สงบทำให้ใจร้อนขึ้นมาเวลาเราอยากได้อะไรเช่นอยากจะไป ได้เงินเดือนเพ่มอย่างเงี้ยแล้วก็พิจารณาว่ามันเงินทองมันไม่แน่นอนบางทีก็อาจจะได้บางทีก็อาจจะไม่ได้ถ้าไม่ไ่าก็อย่าเสียใจก็อย่าไปอยากมันดีกว่าพอใจตามมีตามเกิดไปยินดีตามมีตามเกิดไปหยุดความอยากได้มันก็จะไม่ความสมบงบเพิ่มมันก็จะอยู่ต่อไปแล้วมีสองวิธีใช้ปัญญาก็ต้องเห็นใจรักษในสิ่งต่างๆที่เราอยากว่าเป็นใจรักษ คุณน้ำหวานครับเพิ่งเข้ามาครั้งแรกเป็นมือใหม่หัดปฏิบตัติขอเล่นสอบถามหากอยากตั้งใจสั่งสมให้เกิดบุญบา ร, รมีวางจิตอย่างไรไม่ให้เป็นความอยากค่ะหรือปฏิบัติไปเรื่อยจะวางได้เองครับความอยากเหล่านี้ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาเพราะความอยากที่นําไปสู่ความดับทุกไม่ใช่ความอยากที่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาอย่างนั้นอยากได้อยากสะสมบา ร, รมีทั้งสิบที้ยิ่งอยากมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะเมื่อมันอยากมากมันก็จะทุ่มเทมากนั่นเอง อยากทำมุนมากๆอยากรักษาศีลมากๆอยากไปเลยไม่ไม่เสียหายแต่อย่าไปอยากร่ำอยากรวยอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอันนี้เป็นจะนําไปสู่ความทุกข์การสะสมบารมีนี้ไม่นําไปสู่ความทุกข์มันจะเป็นการลดความทุกข์ให้น้อยลงไปตามลําดับคุณมาริครับ สำหรับผู้ครองเรือนการรักษาศีล8มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดต่อความเจริญในธรรมตอนนี้พยายามรักษามาได้7วันแล้วจากที่ตั้งใจไว้5วันก็มีเผลอร้องเพลงในใจบ้างและอาจทำให้มดตายบ้างโดยไม่ได้เจตนาและตั้งใจรักษาต่ออีก5วันและกลับไปรักษาศีล5ให้ดียิ่งขึ้นครับก็ได้เป็นการเพิ่มความเข้มข้นของการปฏิบัติรักษาศีล5มันก็ไม่ค่อยเข้มข้นเท่ากับการรักษาศีล8 ถ้าเรารักษาสินแปดได้มันก็นจะช่วยให้เราสนับสนุนให้การปฏิบัติของเรานี้ง่ายขึ้นมีเวลามากขึ้นาการรักษาสีหน้าปุณดาวน้อยครับอยากถามว่าทำอาณาปานาสติในลักษณะนอนได้หรือเปล่าครับบาปหรือไม่ครับไม่บาปเราจะมันจะมีปัญหาตรงที่ทาไปแล้วมันจะหลับมากกว่าถ้าอยู่ในท่านอนเพราะมันสบาย พอสบายจิตเราก็จะเผลอแล้วก็จะหลับไปเหมาะกับการนอนหลับมากกว่ากอนเวลาเราจะนอนนี่อ่ะเราก็ใช้การดูหมายใจไปเพื่อหยุดความคิดต่างๆเราก็จะหลับได้อย่างรวดเร็วคุณแต้มสีครับบุญกับบารมีแตกต่างกันอย่างไรครับคือบุญนี้ก็คือความสุขใจนะ มารมีก็คือการกระทําที่สนับสนุนให้เกิดความสุขใจนี่นนเรียกบุญมารมีคุณมะลิบอกว่าตอนนี้พยายามเดินจงกรมเจริญสติทุกวันวันละประมาณหนึ่งถึงสามพยายามให้ได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมงเจ็บเท้าก็ อ, อดทนโดยบริกรรมพุทโธแต่ก็มักเผลอสติคิดเรื่องทางโลกบ่อยๆส่วนนั่งสมาธิยังทําไม่ค่อยได้เพราะมีปัญหาสุขภาพ หากเน้นเดินจงกรมอย่างเดียวทําอย่างไรให้มีความก้าวหน้าและจิตนิ่งยิ่งขึ้นครับก็อยู่ที่การมีสติหรือไม่ทั้งนี้แล้วอีกอย่างถ้าเดินแล้วเดินท่าเปล่ามันเจ็บก็ใส่รองเท้าได้ไม่มีข้อห้ามไม่จําเป็นจะต้องถอดรองเท้าเวลาเดินจงกรมสามารถเดินใส่รองเท้าได้เพราะมันเป็นการปฏิบัติของเราเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับใคร ส่วนการจเจรินโยมแล้วได้ผลมีไม่ดีก็อยู่ที่การมีสติหรือไม่เดินไปเราต้องอย่าให้ใจลอยอย่าให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับการเดินเช่นดูเท้าไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปหรือเดินไปก็พุโทโถพุโทโถไปขณนแต่อย่าอย่าปล่อยหให้ใจคิดเรื่อยเปแต่ถ้าคิดแล้วมันก็จะไม่ได้ผลในเวลาปฏิบัติต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดปุงแต่ง คุณศิริครับสำมาทิฏฐิกับสำมาสังกปโปแต่างกันอย่างไรครับสำมาทิฏฐิก็คือความเห็นไงเห็นว่าความทุกข์เราเกิดจากความอยากแล้วสำมาสังกปะโปคือความคิดคิดว่าเราจะต้องหยุดความอยากเพราะเราต้องการดับความทุกข์อันนี้ก็เป็นความคิดคุณภูมิครับ พระอรหันต้องบำเพ็ญบารมีสิบอย่างหนึ่งแสนกับเป็นอย่างน้อยในโลกมนุษย์ประโยคที่ว่าหนึ่งแสนกับเป็นระยะเวลากี่ชาติครับโอ้อก็เป็นแสนละแสนล้านชาตินะถ้าไม่มีถ้าไม่ได้มาเจอพระพุทธศาสนานะถ้าเหมือนเจอพระพุทธศาสนาก็สามารถทําสําเร็จในชาตินั้นได้เลยเช่นบรรดาผู้ที่ฟังทับกันแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันมากมายพวกนี้เขาก็สะสมบารมีมาอย่างโชี่ชน แต่เขาไม่มีปัญญาที่จะมองเห็นอริยสัจสี่เห็นตายหลับได้แต่พอมีพระพุทธเจ้าเห็นคนแรกพอมาแสดงทําให้เห็นให้เข้าใจนะก็สามารถนำมามาใช้ในการกำจัดความทุกข์ความอยากได้อย่างรวดเร็วคุณลีโอครับหากนั่งสมาธิไปจนสงบแล้วเกิดอาการโยกตัวแรงแต่ได้วางใจรับรู้และดูไปเรื่อยๆพักใหญ่จึงจะค่อยๆเบาลง แบบนี้ถูกหรือไม่ครับหรือว่าต้องทําเช่นไรครับคือถ้าเรานั่งแบบมีสติตัวมันจะไม่โยกนถ้าเราโยกแสดงว่าเราไม่มีสติอยู่ในการภาวนาถ้าเราดูลงไปหรือพุโทโธไปไม่หยุดยั้ยงอย่างต่อเนื่องเราก็จะไม่โยกล่างกายก็จะไม่โยกที่มันโยกก็เพราะว่าเราเหมือนกับเคลิ้มและไม่มีสติมันก็เคลิ้มไปมันก็เริ่มโยกไปโยกมาได้ คุณ <c oughs> ขออนุญาตคุณวีระวันครับมีสัญญาณอะไรบ้างที่บอกว่าเราเป็นพระสดาบันครับก็อย่างน้อยก็คือเราเราไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเราพอให่ร่างกายแก่เจ็บตายได้อย่างไม่เดือดร้อนเช่นเวลาไปหาหมอหมองบอกว่าเจอมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วแล้วก็เฉยไปเราก็รับรู้ไปว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้วันใดวันหนึ่ง จะต้องเจ็บจะต้องตายแต่เราก็จะมีความมั่นใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของจริงก็จะไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าเพราะธรรมหรือพระสง์เพราะคนที่สามารถใช้ธรรมะหลับความทุกข์ของใจได้ในระดับพระสวดาบันก็เป็นพระอริยสงฆ์โดยเองก็เลยไม่สงสัยในพระรัตนตรไรแล้วก็จะไม่ไปยึดติดกับเรื่องพิธีกรรมต่างๆ เพื่อแก้วความทุกข์ใจเพราะรู้ว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากอย่างหนึ่งและเกิดจากการกระทําบาปอย่างหนึ่งเมื่อรู้ว่าการกระทําบาปทำให้ทุกข์ใจก็จะไม่ทําบาปโ ด, ดยเด็ดขาดนะรักษาศีหน้าไปตลอดชีวิตคุณดีครับการนั่งสมาธิต้องกำหนดจิตตลอดเวลาหรือไม่ครับใช่ต้อง ต, ตลอดเวลาต้องมีสติ ไม่ได้ไปกำหนดที่จิตนันกำหนดที่อารมณ์ที่เราใช้เช่นพุโทโธพุโทโธเนอะดูลมหายใจเขา้าอย่าไปดูจิตนะดูจิตนี่จะทําให้ใจไม่สงบใจจะฟุ้งขึ้นมาได้อย่าไปดูจิตเวลานั่งสมาธิให้ดูให้ให้อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอันใดอันหนึ่งพุโทโธก็ได้ลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือนึกถึงความตายก็ได้นี่มันจะทําให้ใจสงบได้ คุณโยโย่ครับบางคนถึงฝั่งได้เร็วบางคนถึงช้าเช่นนี้เกิดจากบารมีเก่าที่ได้เคยสั่งสมมาด้วยหรือเปล่าครับถูกต้องคนหนึ่งก็อยู่ที่บารมีเก่าเนั่ยกปฏิบัตินี้ท่านท่านแยกไว้มีสี่ชนิดด้ยวยกันคนที่รู้เร็วแล้วก็ปฏิบัติง่ายพวกนี้เป็นพวกที่มีบารมีเยอะรู้เร็วก็คือมีปัญญาฉลาดคิดเป็นแล้วก็ ปฏิบัติง่ายก็คือมีกิเลส น, น้อยปัญหาความอยากน้อยมันก็เลยเวลานั่งสมาธิก็สงบได้ง่ายพวกที่หนึ่งพวกที่สองก็คือรู้เร็วแต่ปฏิบัติยากก็คือมีปัญญาแต่มีกิเลสเยอะกิเลสคอยต่อต้านเวลาทำใจให้สงบมันก็รู้สึกยากพวกที่สามก็คือรู้ช้ารู้ช้าแต่ปฏิบัติง่าย ก็คือไม่ค่อยมีปัญญาแต่แต่มีกําลังที่จะทําจิตให้สงบได้อาจจะเป็นมีสติหรืออาจจะเคยฝึกมาฝึกสมาธิมาก่อนทําให้กิเลสน้อยเวลาปฏิบัติก็เลยง่ายแต่ปัญญาทึบไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญญาต้องใช้เวลาพิจารณานา น, น, านพอสมควรกว่าจะบรรลุได้แล้วพวกที่สี่นี้ก็คือปัญญาก็ทึบ ก, กิเลสก็นาพวกนี้เป็นพวกที่ช้าที่สุดล่าช้าที่สุด แล้วก็ยากลาบากที่สุดครับพระอาจารย์ครับแล้วคำพัญญาที่ที่ที่พระอาจารย์พูดนี้ก็คือความเฉลียวฉลาดเนี่ยมันสัจสมได้ไหมครับอาจารย์มันก็ได้มันถ้าเราฝึกฝนให้เราคิดไปในแนวตร ก, กะเนี่ยคิดถึงทางเหตุทางผลเรากายมาพูดอะไรเรื่องถ้ามันไม่เข้าเหตุเข้าผลเราก็จะไม่เชื่อใช่ไหมครับเราก็ต้องพิสูจน์ดูอะไรทำนองนี้นี่คือความคิดของนักวิทยาศาสตร์ เขาต้องพิสูจน์เขาต้องพิสูจน์ว่าความคิดของเขาเป็นไปตามตามความเป็นจริงหรือไม่ไม่ใช่คิดคิดไปแล้วไม่ได้ทดลองไม่ได้ทดสอบแล้วก็มาเหมาว่าใช้ได้เช่นเวลาเกิดโควิดขึ้นมาเราก็ต้องหาวัคซีนมาดับมันมาหยุดมันถ้าเราไม่ทดลองวัคซีนเราบอกอัเนี้ใช้ได้มันไม่มันไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันมันไม่ได้มีการทดสอบดู ว, ว่าใช้ได้จริงหรือเปล่านี่คือลักษณะ ข, ของการใช้ปัญญา เพื่อพิสูจน์บางอย่างสิ่งต่างๆมันต้องมีเหตุมีผลคุณไลโก้ครับได้ยินว่าถ้าคารวะนั่งภาวนา10ชั่วโมงด้วยท่าขัดสมาธิเพชรอาจทําให้เขาเป๋ดได้เป็นเรื่องจริงไหมครับและคารวะถ้าจะนั่งภาวนาตลอดคืนควรนั่งขัดสมาธิเพชรไหมครับอาจารย์เฮ้ยมันอยู่ที่กําลังของสติครับว่ามีมากพอที่จะนั่ง10ชั่วโมงได้หรือเปล่า แล้นั่งสิบชั่วโมองหน้านี้ส่วนใหญ่จิตเขาจะเข้าสู่สมาธิเวลาเข้าสู่สมาธิแล้วร่างกายก็จะไม่รู้สึกกระทบกระเทือนจากการเ น, น้นท่านั่งต่างๆแต่ถ้านั่งแล้วไม่สงบแล้วเกิดอาการเจ็บปวดการร่างกายนี้มันก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้พิกรพิการได้เห็นถ้านั่งแล้วมันทนไม่ไหวก็ ล, ลุกมาเปลี่ยนที่นั่บดเป็นการเดินจงกรมแทนไปก่อนคุณบุพผาครับ ชอบช่วยเหลือและให้อาหารแมวหมาจอนจัดเป็นประจำเป็นการสร้างบุญบา ร, รมีอีกทางไหมครับและจะได้บุญเท่าช่วยคนไหมครับก็เป็นทานบา ร, รมีไง ใ, ให้ทานกับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเหนือดร้อนขึ้นมาก็เป็นสร้างทานบา ร, รมีนี้สร้างกับใครก็ได้ไม่จําเป็นว่าจะต้องสร้างกับพระอย่างเดียวสร้างกับคารวะญาติโยมก็ได้สร้างกั บ, าากก ส, กบสัตว์เดรัจฉานก็ได้เนี่ยเป็นการสร้างทานบา ร, รมี คุณจิตติมาครับสวดมนต์ออกเสียงผิดผิดถูกถูกสะดุดบ้างบาปไหมครับไม่บาปแต่แสดงว่าเรายังไม่มีความความเพียรพยายามพอมันต้องสวดให้มันถูกนะแล้วก็มันถึงจะดีกวา่าส่วนแบบผิดผิดถู ก, กๆก็แสดงว่าเราเรายังไม่ได้เรียนรู้มันมากเท่าที่ควรควรจะเรียนรู้ทําอะไรให้มันถูกเดียวกับผิด เพราะมันยัไม่จะติดเป็นนิสัยไปจะทำอะไรอย่างอื่นก็จะทํ า, า, าทแบบผิดๆถูกๆได้ไม่บาปเราเพียงแต่จะไม่ได้ผลดีเท่านี้คุณช็กโก้ครับเวลาหนูฟังธรรมทาไมรู้สึกง่วงมากครับสังเกตุโดยตลอดครับเพราะธรรมันเป็นเครื่องกล่อมใจให้สงบไปมันไม่เหมือนสิ่งที่าดูทางทางอื่นเช่นดูกีฬาเล่นดูภาพยนตร์นี่ มันมีเรื่องที่จะมากระตุ้นมาสร้างความาตื่นเต้นให้กับใจมันก็เลยไม่งอ้อแต่ทรรมานั้เนี่ยมันเสียงเสียงนิ่งๆเสียงเย็นๆพอฟังแล้วมันก็เมืนปลอบใจให้ให้สงบแต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะเราก็จะหลับแทนแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะสงบใจก็จะสงบไม่หลับคุณอธิษฐานครับสติก็เป็นอนิจจัง จะทำอย่างไรให้มีสติอยู่ทุกขณะจิตครับก็พยายามทํำบ่อยๆนึ่งตาขึ้นมาพอทาแล้วต้องจรงสติก็ทําไปพอเพอก็นึ่งกลับมาใหม่ต้องฝึกไปเรื่อยๆใหม่ๆมันจะลืมลืมง่ายทําได้ปั๊บเดียวเดี๋ยวก็ลืมแล้เพอแล้ไม่เชื่อเราตั้งตั้งสัจจะหรือว่าจะวันที่จะพุทโธทั้งวันดูดูจะทําได้หรอทําเดียวแค่เนี่ยจะทําได้แค่กี่นาที คุณเบกกี้ครับทำอย่างไรให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งมีอินทรีย์ที่แข็งกล้าเพื่อผ่านนิวรนไปได้ครับก็ต้องใช้สติเป็นเป็นหลักนะครถ้ามีสติแล้วใจก็จะนิ่งเฉยใจก็จะไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่มาปรากฏเช่นนิวรนต่างๆก็ไม่ปรากฏไม่ได้ถ้าเรามีสติพอเราเพลิสติจิต ก, ก็จะปูแต่งสร้างนิวรนต่างๆขึ้นมา สางการมวชชันทะสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาฉะนั้นต้องจังนลสติบ่อยๆคุณมาริสาครับเวลาทําสมาธิเราจะมีวิธีรู้ได้อย่างไรว่าจิตปรุงแต่งให้จิตเรามีความสุขไม่ได้เกิดจากความสงบของสมาธิครับาจิตปรุงแต่งเพราะต้องรู้สึกว่าปรุงแต่งเรื่องอะไรควาคิดเรื่องอะไรอยู่คิดถึงการไปมีแฟนนั่นก็เกิดความสุขใจขึ้นมามันก็ต้องคิดนะ มันไม่ใช่เกิดจากสมาธิครับสมาธินี้ไม่มีความคิดปรุงแต่งใดๆเป็นความนิ่งเฉยของของจิตใจกูนชอโก้ครับหนูรู้ว่าตายทุกคนหนูไม่กลัวตายแต่ติดความห่วงครับจะทำอย่างไรครับห่วงอะไรละถ้าห่วงม่ตายแล้วมันก็ห่วงอะไรไม่ได้อยู่นีถ้าไม่กลัวตายก็ไม่ต้องมันก็ไม่ต้องห่วงอะไร ความตายคับมันก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราห่วงไปหมดคุณปราณีครับบอกว่าไม่อยากหายไปจากโลกนี้ครับอ๋อก็กลับมาเกิดใหม่เลยเมื่อร่างกายนี้ตายมันก็ลองกลับมาเกิดใหม่แต่กลับมาเกิดก็จะตว่ามันเจอความทุกข์จากความแก่เจ็บตายกับการพัดพลาดจากกันกับการเจอสิ่งที่เราไม่ปรารถนาะกัน คุณประชาครับจะคำอธิษฐานใครมีทุกข์ขอให้สุขจะนํามาปฏิบัติจริงโดยถ้าพบใครมีทุกข์จะช่วยเหลือถ้าไม่ทําให้เกิดโทษหรือบาปแต่ถ้าทําแล้วจะเกิดโทษเกิดบาปจะอยู่เฉยเป็นการช่วยเหลือไม่ให้ทำบาปมากขึ้นดีไหมครับดีแล้วถ้าช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือไปแต่ถ้าช่วยเหลือทําให้เราเกิดความเสียหายเดือดร้อนขึ้นมาเราก็ต้องใช้อุเบกขาไปแล้วถ้าเราช่วยเหลือไม่ได้เราก็ต้องวามเฉยไป คุณแต้มสีครับข้อที่หนึ่งครับพระโสดาบันที่มาเกิดใหม่เวลาท่านเจ็บป่วยหนะักท่านจะยังอยากให้ร่างกายหายจากเจ็บป่วยอยู่ไหมครับไม่หรอกท่านก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันจะหายไม่หายมันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเราก็ดูแลรักษาไปหายก็หายไม่หายก็ตายท่านท่านรู้ว่ามันมีสองทางสงทางรื่องละแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็มีสองทางถ้าไม่หายก็ตาย ถ้าไม่หายก็อยู่กับมันไปยังไม่หายแต่ยังไม่ตายเพราะมันเป็นเรื่องของอนัตตาเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้เป็นเหมือนฝนตกอะฝนตกแล้วไปอยากให้มันหยุดมันก็ไม่หยุดอะถ้ามันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะหยุดมันก็ไม่หยุดอยากไปก็ทรมานใจไปเป ล, ลา่าๆอนี้ก็รอให้ฝนมันหยุดเองในลักษณะของพอระโสดามันจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเหมือนดินฟ้ากัน เป็นเหตุให้ครูบาอาจารย์ไม่ยอมรักษาไมเคิลประจักษ์เห็นครูบาอาจารย์จะไม่ค่อยอยากหาหมอเท่าไหร่เลยครับก็ส่วนหนึ่งพราะมันไม่สะดวกมันเกี่ยวกับภาพในในแล้วก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลไม่เหมือนอยู่กับวัดบรรยากาศมันไม่สงบสงัดไเว่มันไปสร้างความสร้างความวุ่นวายของใจได้ส่วนอยู่วัดดีกว่าถ้ารักษาที่วัดได้นอกจากว่ามันจําเป็นจริงๆแล้วก็รักษาแล้วหายได้ท่านก็ไป ถ้าักถ้าไปแล้วแบไปยื้อมันเฉยๆรักษาก็ไม่หายท่านก็ไม่ไปดีกว่า mm. ก็ต้องดูว่าไปไปแล้วหายหรือเปล่าถ้าไปแล้วหายท่านก็ไปกัน mm. แต่ถ้าไปแล้วไม่หายก็อย่าไปดีกว่าบ้อ mm. ที่สองครับแล้วท่านจะรู้ตนเองไหมครับว่าท่านเป็นพระโสดาบันแล้วครับท่านเป็นรู้ชื่อของพระโสดาบันท่านนั้นเองแต่ท่านรู้ว่าท่านไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่าน ถ้าไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายแล้วท่านก็ไม่ไม่วงงานเข้าไปกับพิธีกรรมทางานเพื่อบรรดาความทุกข์ใจเพราะความทุกข์ใจมันเกิดจากความอยากหรือเกิดจากการกระทำบาป ท, ท่านก็จะรักษาศิ่ไปตลอดชีวิตคุณไลโก้ครับ ถ้าจะนั่งตลอดคืนหรือนั่งติดต่อกันหลายวันขอเทคนิคครับเรื่องปัสสาวะทําอย่างไรนะครับปวดปัสสาวะก็ต้องนั่งทนเอาเลยครับเ ร, เ, เราไม่ไ ด, เไได้เราไม่ได้นั่งติดต่อกันหลายวันอันนี้เป็นฟกรณีพิเศษเธอจะนั่งยาวๆนานๆเราก็ก่อนที่จะมานั่งเราก็ต้องถ่ายให้มันหมดก่อนอย่าไปดื่มยาอะไรเข้าไปแล้วก็ลดแล้วก็พยายามถ่ายปัสสาวะให้มันหมดก่อนแล้วเราค่อยมานั่งดังนั้นเราจะรู้ว่าเราจะนั่งคืนนี้ ตั้งแตบายแล้วก็หยุดดืมน้ําไปก็ได้ไมื่เติมน้ำเข้าไปแล้วก็ให้น้ําที่มีในระ่างกายมันออกมาหมดอันน้นามันก็จะไม่มีอาการปวดปวดปวดฉีคุณเที่ยวไปเรื่อยครับตอนนี้คิดพิจารณาตามพระอาจารย์พบว่าทุกการกระทําของเราคิดคือการเสบ ร, รูปรดกลิ่นเสียงหมดเลยแม้กระทั่งการคบหาเพื่อนฝูงการอยู่กับภรรยาและลูก เราตั้งวิจารณาสิ่งเหล่านี้เป็นไตลักษ์ให้หมดใช่ไหมครับจึงจะระาวังได้ครับได้ต้เห็นว่านทธิแม่ช้าก็เลยเขาก็จะทําให้เราทุกข์เพราะเขาไม่แน่นอนบาทีเาก็ให้ความสุขกับเราบาทีเขาก็ไม่ได้ให้ความสุขกับเราเวลาที่เขาจาดลงไปแล้วก็ทุกข์คุณครองสติครับการเพ่งโทษถือว่าเป็นกิเลสหรือว่าเป็นความทุกข์ครถ้าเพ่งโทษของตนเองไม่เป็นกิเลสเป็นธรรมะ ถ้าไปเพ่งโทษของคนอนื่นนี่เป็นกิเลสงั้นอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นเพ่งโทษที่ดูความษุดูโทษของเราดีกว่าเพราะถ้าเรารู้ว่าเราทําผิดอะไรเราก็จะได้แก้ไขดัดแปลงให้มันดีได้แต่การไปใท้เพ่งโทษของผู้อื่นนี่เป็นเหมือนกับการไปหาเรื่องเขาอะอยู่ดีๆไปแพ่งโทษเขาทําไมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง คุณมกขะครับทําสติให้ถึงพร้อมแล้วเข้าสมาธิเพื่อนิ่งสงบไม่คิดปรุงแต่งใดๆจนกระทั่งจิตคลายออกจากสมาธิเองและค่อยเจริญวิปัสสนาโดยใช้ความคิดพิจารณาไตายักณแบบนี้ถูกต้องไหมครับใช่แต่การพิจารณาเวลาที่ออกมาแล้วมันก็มี2องรูปแบบพิจารณาแบบทําการบ้านหรือพิจารณาแบบทําข้อสอบถ้าเราออกมาแล้วเจอข้อสอบเลยได้ข่าวไม่ลายมา คนรักเ ส, เสียชีวิตไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้ปัญญาดับความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียคนที่เรารักไปพิจารณาว่าเขาเป็นตายแล้วอันนี้แบบทําสดๆทําแบบข้อสอบแต่ถ้าเราไม่มีข้อสอบให้เราทำํำเราก็ทําล่วงหน้าไว้ก่อนคิดถึงร่างกายของคนทุกคนว่าต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาวันใดวันหนึ่งก็ต้องถึงแก่ความตายด้วยกันอันนี้เรียกว่าเป็นการทําการบ้านเดินใจไว้ก่อนซ่อมไว้ก่อน มันมีสองรูปแบบด้วยกันคุณอุงุ่นเปรี้ยวครับช่วงนี้ไปร่วมกิจกรรมบวชชีพรามเพื่อสร้างเนคฆัมะของทานสิประการได้ฝึกนั่งสมาธิแต่เป็นส่วนน้อยส่วนใหญ่มีสวดมนต์เยอะมากโดยสวดเป็นทํานองสอรัรัพยญหรือแหล่มากกว่าการบรรยายธรรมะจะถือว่าเราผ่านทานข้อใเนคฆัมะไหมครับ อ, อมารมณ์น่ฆมะนี้ต้องใชอสินแป แล้วต้องถือไว้อย่างต่อเ น, นื่องไม่ใช่แค่วันเดียวต้องถือเป็นตลาดชีวิตนะถึงจะถือว่าเราเราเราผ่านได้ธรรมะได้ไม่ใช่ไปทำไแค่วันเดียวสองวันนะแล้วก็เลิกกลับมากลับมาศีนห้าหรือบางทีไม่มีศีนห้าก็มีกลับมากินเหล้าเมายาแต่โชคไปวัดนี่ก็ยอมอดหน่อยบางคนก็มาบวชกันสามเดือนนะถือได้ธรรมะกัน แต่พอเสร็จไปก็กลับไปบุยย่างบุ ย, ย <laughs> ต้องมีอย่างนี้ถือว่าไม่ผ่านถ้ารักษาสิ่แปรได้วักษาไปตลอดชีวิตเนี่ยถือว่าผ่านคุณเลมอนครับมีพี่น้องบางคนไม่ดูแลพ่อแม่ยามแก่หรือเจ็บป่วยเกิดผลอย่างไรครับเขาก็อาจจะต่อไปก็นุง่งลูกเขาก็อาจจะไม่ดูแลเขานะเป็นกองกับกองเกวียน ทำกับเวลามารดาเราต่อไปลูกเรามันก็จะมาทำกับเราต่อเพราะเรามาทําตัวอย่างไม่ดีเขาเห็นเองแต่ถ้าเราทําเป็นตัวอย่างที่ดีดูแลพ่อแม่อย่างดีพอเราแก่เขาโตขึ้นเขาก็จะจำได้ว่าเราดูแลพ่อแม่ดีเขาก็ยังมาดูแลเราต่อคุณอภิชาติครับการร่วมสร้างพระพุทธรูปเป็นทานบุญหรือบารมีครับก็เป็นทานบารมีไง ทำแล้วก็จะได้บุญกัความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาคุณพิสิทธ์บอกว่าพระธรรมวินัยห้ามคนที่เป็นบรรดาะบวชแต่เดี๋ยวนี้คนที่เป็นตุ๊ดก <ube> ็บวชกันมากมายบางคนได้ถึงเปลี่ยนก้าผิดธรรมวินัยไหมครับก็อยู่ที่คนบวชนะวะเขาเขาจะมีคิดความคิดอย่างไงก็ไม่ทราบอันนี้เราก็ไม่ทราบอาจจะคิดว่าสมัยนี้เขาไม่ถือกันแล้วมั้ง อย่างนี้เป็นโลกของ L G B T Q นมครับเสมอภาคกันแล้วก็อยากจะบวดบวดได้ก็บวดไปแต่อย่าให้เข้ามาทำอะไรที่ผิดศีลมาปรราชิกก็แล้วกันอันนี้ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้ยินตามแนวที่พุทธเจา้าให้ทำเพราะเขาอาจจะคิดว่าสังคมเปลี่ยนไปแล้วสังคมนในอนดีตรู้สึกว่าจะรังเกียจอะไรทำเรองนี้แต่สังคมปัจจุบันนี้เริ่มรับ คนเหล่านี้ได้ถือว่าเป็นคนเหมือนกันมีสิทธิ์ที่เท่าเทียมกันแต่หากเขาไม่ได้ทําผิดศีลผิดธรรมเขาก็สามารถพัฒนาตัวเองได้ใช่ไหมครับได้ถ้าเขาไม่เขาไม่ทําประราชิกหรือทําผิดศีลข้อใด ข, ข้อหนึ่งแต่โอกาสคือผู้ชายที่ชอบผู้ชายมาอยู่ใกล้กันเนี่ยมันก็จะเวลาอาบน้ำอาบท้าด้วยกันก็อาจจะไม่ได้นุ่งผ้าหรือถอดถอดถอดเสือ้อถอดอะไรถอดที่วอันหรอแต่ผ้าสบงไง เนแล้วก็อาจจะเกิดอารมณ์ได้สำหรับคนที่เป็นบันดาลก็อาจจะยังลบากกับตัวเขาเองนะคุณม็อกค่าครับถามต่อจากที่เมื่อกี้นะครับถ้าสมาธิไม่มากพอเพราะมีเวลาปฏิบัติจํากัดก็จะพิจารณาได้แต่ก็อาจจะได้ไม่นานหรือไม่มันคงเพราะทำสมาธิได้ไม่มากเพียงพออย่างนี้ใช่ไหมครับถูกต้องอาจจะไม่มีกําลังพอที่จะหยุดความอยากได้ คุณเอธิน่าเอธิน่าครับถ้าเราเคยสาบานในบสถเช่นให้เราหูหนวกตาบอดแล้วเราผิดจริงการการสาบานนี่มันเป็นมันนีก็็เปนการกระทําที่แบบผู้กำบงานนะฮะเราจะตาบอดไม่บอดอยู่ที่เราสาบานหรือไม่สาบาน <c oughs> อย่างที่เราทําผิดหรือไม่ทําผิดตาบอดมันก็ต้องมีเหตุที่ทําให้มันตาบอดขึ้นมาแต่ไม่ใช่เกิดจากการสาบานะ คุณภูมิสอบถามครับเราสามารถอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรของคนของครอบครัวและคนอื่นๆได้ไหมครับคือถ้าเขาตายไปแล้วเนะี่ยอุทิศให้ได้ทุกคนคนที่ตายไปแล้วคนที่ยังอยู่นี่เราอุทิศบุญไม่ได้แต่เราสามารถส่งเงินไปให้เขาได้แทนถ้าใครเป็นคุณเจ้ากรรมในเวรของครอบครัวเราเราก็ไม่เคลียรปัญหากับเขาว่าคุณต้องการอะไรจะได้หมดปัญหากันเขาทั้งนี่เราอยู่ ครั้งนเท่าไหร่จ่ายไปให้เขามันก็จบเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่มามายุ่งเกี่ยวกับเราที่เขามายุ่งเกี่ยววเราเพราะเรายังไปติดอะไรเขาอยู่ติดเงินติดทองแล้วเราไปทําให้เขาโกรธทําให้เขาเสียหายต้องชดใช้ค่าค่าเสียหายให้เขาถ้าคุยกันได้ตงรงกันก็ได้เขาก็จะเลิกเป็นเจ้ากรรมนายเวรกํราลังคุณพัฒรรมวันครับ หากหนูมีเวลาว่างในงช่วงวันหยุดหนูชอบเดินทางไปทำบุญไปฟังธรรมไปกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือไปไสบาตหากมีเวลาวันหยุดยาวหน่อยก็จะไปปฏิบัติธรรมแต่บุปพการีที่บ้านมักมีความเห็นขัดแยง้งและใช้คำพูดว่าเรานั้นบ้าบุญอยู่บ้านเฉยๆก็ได้บุญแล้วหลังจากกลับจากวัดหลายๆครั้งก็อยากบอกบุญอยากให้ท่านร่วมอนุโมทนาบุญแต่ดูท่านไม่อยากรับรู้ค่ะหนูรู้สึกท้อใจขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ในการกำลังใจและการปฏิบัติครับ เราต้องเข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจว่าการทําบุญนี่มันดีและการที่เราทำ ก, กันในในระดับนี้ยังเป็นการที่ทําน้อยมากเราต้องทําเพิ่มทําทานแล้วเราก็ต้องรักษาศีลต้องภาวนารักษาศีลแปดแล้วก็ไปบําเพ็ญเขาไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เขาคิดว่าอยู่บ้านก็ทําบุญใส่บาตได้ก็พอแล้วถ้าทำมากกว่า น, นี้ก็เขาก็หาว่าเราบ้าบุญนี่เราอย่าไปถือสาเขาเลยเหมือนพูดกับคนที่ไม่รู้เรื่อง ก็พูดไปตามภาษาของเขาก็ปล่อยเขาพูดไปเราอย่าไปเอาเข้ามาเป็นประมาณแล้วหลักธรรมสอนพระเจ้ามาเป็นประมาณนี้กว่าพระเจ้าบอกให้ทําความเพียรเยอะๆให้สร้างบุญสร้างกุศลที่เรายังไม่ได้สร้างให้เกิดขึ้นให้ละบาปอกุศลทั้งหลายที่เรายังไม่ได้ละให้มันหมดไป น, นี่คือคําสอนของพระเจ้าคุณเอกชัยครับ ผมทำบุญใส่บาตรโดยการโอนเงินให้กับวัดทุกวันเพราะไม่มีพระมาบิณฑบาตหน้าบ้านแบบนี้ผมได้รับบุญเท่ากับการใส่บาตรละหน้าบ้านไหมครับเท่านั้นเท่ากั น, กนคุณเข็มจีลาครับศีล ส, สมาธิปัญญาหมายความรวมถึงลำดับการกเกิดบุญบารมีคือต้องมีศีลและทําสมาธิควบคู่ไปด้วยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับแล้วอ่านอีกทีนะได้ไหได้ศีลสมาธิปัญญา หมายความรวมถึงลำดับการก่อเกิดบุญบารมีคือต้องมีศีลแล้วทาสมาธิควบคู่ไปด้วยถูกต้องหรือเปล่าครับก็ทําเหล่านี้มันจากง่ายไปหายากเนี่ยรักษาศีลมันยากกว่าการทําบุญทำทานทำทำทานรักษาศีลห้าก็ง่ายกว่าการรักษาศีลแปมันก็ต้องทำตามกําลังของเรา ขั้นต้นเราอาจจะยังไม่มีกําลังที่รักษาสิน้นท่านได้่ทานอย่างนี้ก็ทําไปก่อนแล้วถ้าเรามีกําลังเพิ่มรักษาสิ้นท่านได้ก็รักษาไปรักษาสิ้นท่าได้แล้อยากจะเพิ่มเป็นสิ้นแปก็รักษาไปถ้าเรารักษาสิ้นแปได้เราก็จะมีเวลามีกำลโอกาสที่เราจะไปนั่งสมาธิได้ไปจเจริญสติได้เพราะถ้าเราถือสิ้นแปแล้วเราก็จะไม่ไปเสียเวลากับการไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาย เราก็เวลาเหล่านั้นมาฝึกสตินั่งสมาธิต่อไปคุณใบหยกครับลูกชอบตอนนั่งสมาธิเพราะไม่คิดอะไรแค่รู้ดูอยู่เฉยๆแต่เวลาออกจากสมาธิไม่ถึงสามนาทีเจ้าคิดจิตมันรู้มันก็คิดสารพัดเพียงแต่ความคิดนี้ไม่ทําให้เกิดอกุศลบางทีติดยังจําความคิดที่ผ่านมาไม่ได้เลยครับต้องทํำยังไงครับก็เดินสติต่อไง เวลาจากสมาธ่มาเราก็ต้องพูดโทรตอบเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดหรือถ้าเราใช้การเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็จดจ่ออยู่กับการเคลื่อนไหวทำารรมทำอะไรก็อยู่กับการกระทํานั้นๆมันก็จะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้คุณสมบูรณ์ครับถูกเอาเปรียบแรกๆก็ไม่คิดมากพอถูกเอาเปรียบมานานหลาย10ปีเกิดทุกข์ควรวางใจอย่างไรครับ ก็จะคิดว่าถ้ามันเราเล่นเล่นไม่ได้ก็ถือว่าเป็นไชนีเก่าไชนีเก่าไปเป็นวิบากกรรมของเราไปอาจจะมีเอาเปรียบพูดมาก่อนในชาติก่อนๆก็ได้ในชาตินี้เราก็เลยต้องถูกเขาอาเปรียบเราบ้างคุณรัชดาวดีครับเวลานั่งสมาธิถ้าเรามีสติบ้างหรือบางทีจิตอาจจะหลุดไปบ้างสลับไปมาแบบนี้ได้บุญบ้างไหมครับยังเราบ เพราะ่มันยังเป็นขั้นตอนที่จะนำไปสู่บุญบุญจิตจะต้องนิ่งสงบเพือจะได้บุญได้ความสุขใจคุณสุวรรณีครับเคยได้ยินว่าถ้าเราใส่บาตรกับพระที่ทุศีลและอุทิศบุญให้กับผู้ที่โรงรับแต่จะแต่เขาจะได้รับไม่ได้จะได้ไม่รับบุญจริงไหมครับไม่จริงหรอเพราะว่ามันไม่ได้อที่ผู้รับว่ามีศีลแล้วไม่มีศีล เราทำบุญกับพ่อแม่เราล้วอุทิศบุญให้กับผู้ ล, ล่วงลับไปก็ได้เพียงแต่ว่าเราไ ม, เาไม่เราไม่เชื่อกันอย่างนี้เราเชื่อว่าเราจะต้องทําบุญต่อพระที่สะอาดบรสิสุทิเท่านั้นจึงจะอุทิศบุญได้อย่างอย่างได้ได้อย่างเต็มร้อยแต่ควาจริงการทําบุญนี้เพื่อการศียสละแบ่งปันเงินทองเข้าของของเราไปละความตนติละความโลภพอเราละได้ใจเราก็สงบเกิดความสุขขึ้นมา ครับสุกันนี้แหละที่เราจะที่เราเรียกว่าบุญที่เราสามารถบุรทิษฐ์ไปให้กับผู้ที่ลุ่งรับไปแล้วได้แล้วไม่ได้อยู่ที่ผู้ที่เราไปทําบุญด้วยว่าเป็นใครคุณเพ็ญ น, นภาครับคนที่เสียชีวิตแล้วอีกนานใหม่จะได้ไปเกิดใหม่ครับถ้าบังเกิดเป็นมนุษย์ไปก็คงยังต้องรอไปก่อนเพราะว่าต้องไปเกิดเป็นเทวดาแล้วไปเกิดเป็นเปนตรตไปตกนรกก่อนขึ้นอยู่กับบุญกับบาป ท, ที่เราทําไว้ กว่าบุญกับบาปมันไม่มีที่พลต่อต่อจิตใจของเราแล้วมันก็จะให้เรามารอเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปคุณอ้นครับเด็กเล็ก3าถึงหขวบควรแนะนําให้สั่งสมบา ร, รมีด้วยวิธีใดได้บ้างครับก็ให้เขามีความเมตตาสอนเขาว่าอย่าไปทำร้ายสิ่งต่างๆอย่าไปทำร้ายเช่นสัตว์เล็กสัตน้อยอะไรทำนองนถ้าเห็นว่าจะไป ทำร้ายมดทำร้ายอะไรก็บอกเขาอย่าไปทำร้ายแล้วถ้าเป็นไปได้ก็พาเขาไปใส่บาตให้เขารู้จักวิธีให้เป็นอย่างไรเดีย๋ยนี้พ่อแม่พาเด็กมาใส่บาตเยืนอนบางทอุ้มเด็กมาทั้งดาวออกจากท้องเลยบางทีท้องก็อุ้มมาแล้วสอนให้ใส่บาตไปเพราะว่าถ้าเขาเห็นบ่อยๆเ้าแล้าเข้ามาก็จะติดเป็นนิสัยของเขาไปต่อไปเขาก็จะทําเองได้ เด็กพวกนี้อาจจะเป็นพวกเทวดามาเกิดไหมครับอาจารย์โยกครับอาจจะอาจจะมาเกิดกับพวกเทวดาแต่พวกข้าจะเป็นเทวดาหรือไม่ไม่ไม่รู้เพราะถ้าเขาโตขึ้นว่าเขาสามารถเป็นเป็นตัวของเขาเองได้ก็อยู่ที่ว่าเขาจะทําต่อหรือไม่บางทีเาก็เลิกทําไปที่เขาทาเพราะว่าตอนนั้นเขาเด็กเขาไม่มีก็ไม่สามารถที่จะห้ามผู้ใหญ่พาเข้ามาทําได้เขาก็ทําต่อไปแต่ถ้าเขาไม่มีบุญกาวหรือถ้าเขาไม่ไม่ชอบทําบุญ เวลาเขาโตเป็นตัวของเขาเองแล้วเขาก็ไม่ทำมันได้เราจําเป็นต้องสมาทานศีลทุกวันไหมครับหรือว่ามีศีลบริสุทธ์ก็เพียงพอแล้วครับก็สมาทานหนงเดียวก็พอนอกจากว่าถ้ามันเราเลิ ก, เลกรักษาแล้วเราอยากจะกลับมารักษาใหม่แล้วก็มาสมาทานใหม่แต่ถ้าเรารักษาไปเรื่อยๆไม่ไม่หยุดการรักษาก็ไม่ต้องสมาทานบ่อยๆหนเดียวก็พอ คุณช็โก้ครับอยากทราบว่าคนที่เราได้รู้จักกันในต่างแดนเช่นเพื่อนในต่างประเทศอื่นๆที่เราไม่เคยพบเห็นแต่เรากลับได้มาคุยกันและโทรหาการตลอดแบบนี้คือเคยได้ทําบุญแบบไหนร่วมกันไหมครับถึงได้รู้จักกันครับอาจจะมีชะตาตรงกันมีความความคิดเห็นคล้ายคลึงกันนะก็เลยพอเจอกันคุยกันรู้เรื่องคุยกันแล้วมีความสุขแล้วก็เลยคุยกัครับ คุณแต้มสีครับเดี๋ยวนี้ตามวัดตามสถานที่จัดงานบุญมักจะมีจัดพิธีครบรอบอายุพระรูปนั้นรูปนี้เท่านั้นกีออนน่ปีดิฉันรู้สึกไม่ค่อยเห็นด้วยรู้สึกว่าวันเกิดไม่ควรให้ความสําคัญบ่อยๆยกเว้นว่าพระรูปนั้นอายุร้อยปีเก้าบหปีเจบสปีความคิดของดิฉันผิดหรือเปล่าครับก็ไม่ผิดนะมันก็เป็นเรื่องของของปัจเจ ก, กชนที่จะคิดได้บางคนเขาให้ความสาคัญต่อพระที่เขาให้เขาขอกรอบเขาก็อยากจะทําบุญ ในวันทำการของท่านอะไรนะถ้าเราไม่มีความกังวลไม่มีความสนใจก็ไม่เป็นไรเราก็อย่าไปทํำท่านเองคุณมาริสาครับรูปร่างหน้าตาเป็นผลจากกรรมเก่าคนที่ไปทําสัญญกรรมแล้วดูดีมากขึ้นเป็นผลของกรรมใหม่ใช่ไหมครับเพราะมีสโลแกนว่าสวยชาตินี้ไม่ต้องรอชัดหน้าครับได้แต่ถ้าเกิดมันถ้ามันเกิดมันผิดพลาดขึ้นมามันก็เละได้นะหน้าตาที่ไปทําสัญญกรรม ไม่ใช่มันจะสวยกันทุกคนนะครับเคยเห็นข่าวไหมทหําไปแล้วหน้าเป็นหนองบ้งเป็นอะไรบ้างเนี่ยครับคุณมารีครับชอบนั่งสมาธิการเอาขาซ้ายทับขาขวาผิดหลักการปฏิบัติแบบถูกต้องหรือเปล่าครับมันต้องขวาทับซ้ายเอคุณหมอเวลานั่งสมาธิครับก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เราจะถนัดนั่ น, น, นไม่มีข้อ บ, บังคับแต่อย่างใดนั่งได้ขัดสมาลัยก็ได้นั่งนั่งพระเพีก็ได้ถ้ามาบางคนถ้าถ้าถ้าชอบนั่งพระเพีก็นั่งพระเพีไปก็ได้คุณเอกชัยครับผมใช้ยาสารเคมีพ่นกําจัดมแมลงศัตรูพืชที่มันมาทําลายพืชผักที่ปลูกไว้กินในครัวเรือนแบบนี้ผมจะมีบาปกรรมจากการปิดสินข้อหนึ่งไหมครับถ้ามันตายก็ก็ผิดนะถ้ามันไม่ตายก็ไม่ผิด ถ้าฉีดกันไว้แล้วพอมันมาได้มันมาสัมผัสพอมันทาแบบมีกลิ่นมันก็ถอยไปมันไม่มามันถ้ามันไม่ตายก็ไม่ผิดถ้ามันตายก็ผิดคุณวรยุทธ์ครับพุทโธในใจแล้วบางครั้งใจเบาบางครั้งเครียดขึ้นมาแน่นอกเลยครับไม่แน่ใจขาดเรื่องการรู้ตัวใช่หรือไม่ครับแล้วควรจะฝึกอย่างไรต่อครับก็อาจจะไม่ไม่ต่อเนื่อพอไม่ต่อเนื่มันก็เกิดอาการอ ถ้าต่างขึ้นมาได้ถ้ามีพุโทโธอย่างต่อนนี้มันก็จะมีแต่ความสงบเป็นอย่างเดียวคุณช็อกโก้ครับเวลาตักบาตรควรถอดรองเท้าหรือไม่ถอดได้ไหมครับเพราะตักบาตรตามถนนและใส่รองเท้าที่ถอดยากมากครับเืนี้สมัยพุทธกาลนี่เขาถือว่ า, าการการใส่รองเท้าแล้วตักบาตรนี่สแสดงว่ายืยนยนืยนสูงกับผู้ที่มารับบาตรเรา ทำไมก่อนถ้าเราต้องการความแสดงความเคารพกับผู้ที่เราเคารพรับถือแเราต้องอยู่ที่ต่ํากว่าผู้ผู้ที่เราเคารพถ้าเราใส่รองเท้ากาถือว่าเรายืนที่สูงกว่างั้ก็ถ้าเราอยากทําตามธรรมเนียมแบบนี้แบบเก่าเพื่อให้ความเคารพต่อผู้ที่เราทําบุญด้วยเราก็ต้องไม่่ายรองเท้าอย่าถอดรองเท้าแบบยืนบนรองเท้าก็ไม่ได้นะ เราคนถอดรองเท้าแต่ยืนบนรองเท้าปวเท้าเปื่อนหลวงตาก็เลยเคยเคยแสดงธรรมปวดว่าเท้าเปื้อนมันล้างได้นะแต่ใจเปื้อนมันล้างลำบากนะล้างยากปะท่านเคยพูดกับญาติโยมที่ใส่รองเท้าแล้วใส่บายกันนะเท้าเปื้อนมันล้างง่ายแต่ใจเปื้อนนี่มันล้างยากนะเปื่อนเนียชิตจิตได้ความถือตัวแล้วได้ความโง่เขาก็สุดแท้แต่ คุณจงจิตครับเวลาเราขับรถไปทํางานเราท่องบทสวดอิติปิโสไปด้วยได้บุญไหมครับแล้วถ้าเทียบได้กับบุญประเภทใดครับก็ได้สติมากน้อยก็อยู่ที่ว่าเราเราหยุดความคิดได้มากเลยนะไล่น้อยเท่านั้นท่านหยุดได้มากก็ได้บุญมากถ้าหยุดได้น้อยก็ได้บุญน้อยคุณเบกกี้ครับโยมสวดมนต์สมาทานศีลทุกวันบางวันเผลอไปวิพากวิจารผู้อื่นกลัวจะผิดศีลข้อน่าจะข้อสี่ จำเป็นต้องสมาทานสีน์ทุกวันไหมครับไม่ตั้องหรอก็รู้ว่าเราผิดแล้วก็พยายามแก้ไขไปนะครังต่อไปก็อย่าทําอีกการสมาทานนี้คือการแสดงจิตสรัทธาอธิษฐานนึ่งว่าเราจะรักษาสีน่าไปเมื่อต่างใดเรายังรักษาอยู่ก็มันก็ต้องมีขาดบ้างเป็นธรรมดาก็ไม่เป็นไรไม่ต้องมาสมาทานใหม่เราก็รักษาต่อไปแล้วก็พยายามแก้ไขยอย่าให้มันขาดอยู่เรื่อยๆ คุณอู๊ตครับตอนนี้ไม่ได้ทํางานเพื่อนที่ยังทํางานชอบมาเล่าเรื่องต่า ง, า ง, างๆเกี่ยวกับงานให้ฟังทําให้เราหงุดหงิดไม่อยากฟังทําให้จิตเราไม่สงบเราต้องทํำยังไงเพื่อทําให้จิตไม่วันไหวครับกับเรื่องที่เรารับฟังครับก็ฟังฟังแบบหูทวนลมได้ไหมล่ะฟังไปเราก็พุโทโธพุโทโธไปปล่อยเขาพูดไปแล้วก็ให้แล้วก็ใช้หูฟังแบบไม่ให้มันเข้ามาใน ใ, นใจเราเราใช้พุโทโธกันไว้อย่าเข้ามาใน ใ, นใจเรา คุณเมครับระหว่างวันที่เรานึกขึ้นได้ก็จะท่องบทสั้นๆเช่นบทพุทธคุณท่องวนๆไปแล้วก็จะเพลินไปทําอย่างอื่นพอนึกได้ก็จะท่องต่อแบบนี้เรียกว่าได้อะไรครับท่องไม่จบบทบ้างบาปไหมครับได้สติเป็นพักๆมาบางช่วงเวลาเราท่องเราก็จะได้เจริญสติความจริงในไตรลักษณ์กับอริยสัจสี่เหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับ ก็เ um หมือนกันนะมันมีมันมีทุกข์เป็นตัวเชื่อมกันนะทุกข์ในอริยสัจสี่กับทุกข์ในตาลรักก็ตัวเดียวกันที่เราทุกข์เพราะเราไปอยากในสิ่งอยากให้สิ่งที่มันไม่เที่ยงเหมือนเที่ยงอยากให้สิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ให้เราควบคุมบังคับมันได้พอทําไม่ได้มันก็ทํำไม่ใจเราทุกข์ในอริยสัจสี่ก็ทุกข์เกิดจากทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือความแก่ความเจ็บความตาย ที่เราไม่อยากให้มันแก่มันเจ็มันตายเราก็เลยทุกข์อันเดียวกันนะถ้าเราจะมองให้ดีคุณเข็มจิลาครับขณะปฏิบัติกรรมฐานรู้ว่าใจกําลังคิดถึงวันพรุ่งนี้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างแบบนี้เรียกว่ามีสติใช่ไหมครับอถ้าขณะปฏิบัติไม่ให้คิดถึงพรุ่งนี้เลยให้อยู่ปัจจุบันถ้าไปคิดถึงเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ก็สแสดงว่าเจิตไม่ไ ม, ไม่ไม่มีสติแล้ว จิตลอยไปอดีตจิตลอยไปอนาคตแล้วการปัน่นติดหมายกรรมฐานนี่ต้องให้จิตอยู่ในปัจจุบันไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้รู้เฉยๆคุณธนวัตรีครับมีวิธีระ ง, งับความอยากวิธีใดบ้างครับเขาก็ทําทานก็ลากความอยากได้อย่างเช่นเราอยากจะไปเที่ยวแล้วก็เอาเงินที่เราไปเที่ยวนี่ไปทําทานเนี่ยเพราะเราไม่มีเงินเที่ยวเราก็หยุดความอยากไปเที่ยวได้ รักษาศีลก็จะรับความอยากหลืม่มโซดาได้อยากฆ่าอยากรักทรัพย์อยากมาพืชผิดภายในอยากโกหกมันก็ทำไม่ได้แล้วก็แต่มันยังไม่หมดมันยังไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่หยุดทุกอย่างอย่างเหมือนกับการภาวนาถ้านั่งสมาธิมีสติทำให้จิตสงบได้นง่งได้ก็หยุดความอยากทุกชนิดได้เลยแต่ก็หยุดได้ชั่วคราวถ้าอยากจะหยุดให้ถาวรก็ต้อง พอเาออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่ใช่เป็นสุขตามที่เราหลงคิดกันพอเห็นว่าเป็นทุกข์เราก็จะไม่อยากทําไม่อยากได้ไม่อยากมีคุณสรัญญาครับหากพยายามให้มีสติระหว่างวันการทําอานาปานาสติบ้างภาวนาพุทโธบ้างมีสติที่มือที่ทํางานบ้างสวดมนต์บ้าง สลับไปสลับมาแล้วแต่ว่าจุดนั้นอันไหนฟุ้งซ่านน้อยกว่ากันในขณะนั้นๆไม่ทราบว่าทําแบบนี้ได้หรือไม่หรือควรมุ่งที่วิธีใดวิธีหนึ่งวิธีเดียวครับเช่นอานาปานสติครับก็มันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในลักษณะไหนถ้าเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาก็ใช้อนาปานสติได้ดูลมได้แต่ถ้าเรามีการเคลื่อนไหวแล้วก็ต้องดูการเคลื่อนไหวของร่างกายแทนแทนที่จะดูลมก็ดูดูมือที่เราตัดเข้ากินอย่างเนี้ รับอ า, อาหารนี่เรากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็ดูที่มือเราว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือถ้าเราอยากจะให้คาบริการพุโทโธพุโทโธแทนก็ได้มันอยู่ที่ว่าเรามันอยู่ในลักษณะไหนแล้วควรจะใช้วิธีไหนถ้าไปดูลมในช่วงที่เราทํารู่นทานี่มันจะดูยากดูยากก่อนดูการทําของร่างกายเราเดินแล้วก็ จ, จะดูที่เท้าก็ได้เดินไปซ้ายขวาซ้ายขวาไป คุณสิงโตครับอริยะบุคคลขั้นโสดาบันท่านยังมีนิวรห้าในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ไหมครับก็ยังมีบ้างในบางอย่างท่านยังตัดการมาราคาไม่ได้การมาฉันทาไม่ได้คุณอภิระครับรูปเป็นพุทธศาสนา พุทธศาสนิกรนทำบุญอุทิศให้แม่ที่ล่วงลับไปแล้วแต่เป็นอิสลามได้หรือไม่ครับคร้าพรมยันแม่นับถืออิสลามพ่อนับถือพุทธลูกๆหกคนนับถืออิสลามแค่คนเดียวครับอ๋อท่าน ไ, ได้ทุกทุกทุกชนิดะจะเป็นพุทธเป็นคริสจอเป็นอะไรจะเป็นสั์น德拉ชาจะเป็นอะไรนี่เราก็อุทิศให้เขาได้โดยเขาจะรับได้หรือไม่ได้อยู่ที่ ส, สถานภาพของจิตของเขาว่าเขาอยู่ในสถานะภาพใดถ้าเข้าไปสวรรค์เขาก็ไม่ต้องมารอนรับบุญที่เราส่งไป ก็ราะเามีบุญมากกว่าแต่ถ้าเข้าไปตนนกนรกเขาก็ถูกกักขังไว้ไม่ให้ออกมารับบุญแต่รับบุญได้เราต้องเป็นขอทานทางจิตวิญญาณที่เราเรียกว่าเปรตจากภูมิไม่ประสองค์ออกนามครับคนที่จิตรวมจะได้รับประโยชน์อย่างไรในชีวิตประจําวันครับจิตจะนิ่งจะเย็นจะสบายจะไม่ค่อยวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่งางๆนิ่งเฉยได้ปล่อยวางได้ คุณประชาครับมักมีคนพยายามเผยแพร่ในโซเชียลว่าการทําทานจะไม่ได้บุญถ้าผู้ทําทานนึกต้องการบุญผมทบทวนแล้วเห็นว่าคําสอนนี้ไม่ถูกต้องถ้าคําสอนไม่ถูกต้องไลค์เห็นด้วยหรือแชร์ต่อจะบาปไหมครับก็ช่วยแชร์เนี่ยของที่ไม่ถูกต้องนีมันไม่บาปหรอกต่จะช่วยกันเผยแพร่ความหลงให้มันหลงมันมากขึ้นไปความจริงแล้วการทําบุญมันต้องได้บุญมันใช่ไหมทําแล้วไม่ได้บุญ ไม่มีครอกครจ้าสอนทําทานแล้วก็จะได้บุญได้ความสุขใจอิ่มใจคุณเที่ยวไปเรื่อยครับถ้าไปบวชแล้วชักจูงให้คุณแม่ภาวนาสอนให้ละวางแบบนี้ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ดีที่สุดใช่ไหมครับก็ถ้าท่านทาตามเราได้ก็ถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดคุณมนตรีครับ ศีล ส, สมาธิปัญญาตัดภพชาติได้แล้วทานตัดภพชาติได้ไหมครับทานก็เป็นเครื่องสนับสนุนให้เราเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญาไนดะ้ถ้าเรายังติดเงินติดทองติดการเที่ยวการใช้เงินหางเงินอยู่แล้วก็จะไม่มีเวลามาบวชนั่นเองศีลสมาธิปัญญานี้สําหรับนักบวชเวลาเมเวลาเรามาบวช น, นี่เราสลาดเงินทองไปหมดไม่ไม่ไมเอาใจไม่ให้เอาติดตัวมาเลยมาแต่ตัวเปล่า แล้วมารับบร์ดายแปดจากอุปชัยที่ไม ต, ตอนที่คุณหมอบวชก็ไม่มีกงินติดตัวมาเลยนะครับอาจารย์คุณสุพเชษครับปัจจุบันได้ฝึกนั่งทํำสมาธิช่วงแรกนั่งได้ไม่นานสิบห้าถึงสิบนาทีก็ฟุง้งตอนนี้นั่งได้มีสมาธิยาวนานขึ้นถึงสี่สิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงรู้เพียงแค่จิตสงบอยู่กับลมหายใจปัจจุบัน แต่ไม่รู้ว่าอารมณ์ของวิตกวิจารปิติว่าคืออะไรครับและทําอย่างไรจรึงจะสามารถฝึกให้ไปจนถึงอัปปนาสมาธิครับวิตกวิจารนั่คือการวิตกเขาเรียกว่าตรึกวิจารเรียกว่าตรองเวลาเราดูลมแล้วก็ตรึกตรองเรื่องลมไปกนะ็เรื่องลมอย่างเดียวไม่ไปคิดเรื่องอื่นตรึกตรองว่าลมเข้าลมออกนี่ก็เรียกว่าตึกตรองถ้าเราตรึกตรองอยู่กัลมอย่างเดียวมันก็จะพาจิตของเราให้ไปสู่ ชาติขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ตามลําดับของมันเองเราไม่ต้องไปรู้อะไรบางขั้นมันก็จะผ่านไปก็ได้มันผ่านไปรวดเร็วบางทีก็มีลงแบบดึงจากอย่างหนึง่งไปสี่ได้เลยบางขั้นก็ค่อยๆเป็นสเต็ปไปเป็นขั้นเป็นไปมีปิติบ้างมีสุขบ้างมีอะไรบ้างจากนั้นที่สุดพอมันถึงขั้นที่สี่ปิติสุขอะไรต่างๆก็จะหายไปหมดเหลือแต่อุเบกขาอย่างเดียว คุณดิมเพิลครับลูกควรสอนใจอย่างไรไม่ให้หลงหรือยึดติดกับตัวสมมุติครับก็พยายามว่ามันตายรักสมมุติเป็นตายรักเป็นของเวทีเป็นของชั่วคราวมันเป็นทุกข์ถ้าเราไยึดติดกับสมมุติเวลาสมมุติสิ้นสุดลงหมดไปเราก็จะทําให้จาจเราทุกข์ขึ้นมาได้ คุณเข็มจีลาครับเราเองสามารถสังเกตและรู้ได้หรือไม่ครับว่านี่เองคือนี่เองหรือคือความฉลาดคือการปัญญาทางธรรมครับก็เวลาเราทุกข์ใจแล้วเราเห็นว่าเกิดจากความอยากของเราเนี่ยก็เรื่เราเรามีปัญญาทางธรรมนะเห็นอริยสัจ ส, สี่เรื่อยเมื่อเห็นแล้วพอเราไม่สบายใจเพราะเราอยากจะได้แฟนพอไม่ได้เราก็เลยเสียใจถ้าเราเห็นว่า เนี่ยความทุกข์ใจของเราเกิดจากการอยากจะมีแฟนแล้วก็ก็ไม่สามารถไปบังคับว่าจะต้องมีได้หรือไม่ได้เพราะไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เรื่องแฟนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้อย่าง น, นี้เลยว่ามีปัญญาคือต้องเห็นเห็นอาศาศนิยัติสัจสเรื่อยเรื่อยเห็นว่าความทุกใจไม่สบายใจของเรานี่มันเกิดจากความอยากของเราเั้านั้นนะ ถ้าเรามองลึกๆเข้าไปแล้วมันไม่ได้เกิดจากอะไรนี่เรียกปัญญาณทางธรรมคุณตะวันครับการนั่งสมาธิควรนั่งครั้งละกี่ชั่วโมงดีครับหรือแล้วแต่ละบุคคลนั่งน้อยๆแต่ครับทุกวันดีกว่านั่งนานๆแต่นา น, านทําครั้งใช่ไหมครับนั่งควรจะนั่งอย่างต่อเนื่องจะดีกว่านั่งทุกวันนะสม่ำสเสมอฝึกให้มันเป็นนิสัยส่วนจะนั่งนานไม่นานมันอยู่ที่กํำลังของสติของเรา ถ้ามีสติดีก็จะนั่งได้นานถ้าสติไม่ดีมันก็จะนั่งไม่ได้นานคุณปใบยกครับตอนนี้ลูกนั่งได้ทีละชั่วโมงแล้วเจ้าขาลูกถูกจริญกับการดูลมสงบและรว่มเร็วรู้เฉยๆแต่เวลาออกไปยังคิดปรุงแต่งเจ้าขาเพียงแต่คิดอกุศล น, น้อยลงสั้นลงไม่ต่อความยาวครับก็ยพยายามจดสติเวลาที่เราออกจากสมาธิมาอย่าปล่อยให้ใจคิดคิดเท่าที่จําเป็น คุณกัญชัยครับการละอัตตาจะมีวิธีไหนที่ทำให้เราทําลายอัตตาและได้รับความทุกข์น้อยสุดจากอัตตาที่ยึดมั่นถือมั่นครับก็อัตตาเนี่มันก็เป็นเป็นความหลงความจริงม่าไม่มีอัตตาเราก็ต้องดูว่าเราคําว่าอัตตาเนี่เราอัตตกับอะไรถ้าอัตตกับตัวเราเองถือว่าเรามีตัวตนอันนี้เราต้องไล่ถามดูว่าแล้วตัวตนของเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่ร่างกายเหรือ อยู่ที่ส่วนใหนของร่างกายลองค้นหาดูอยู่ที่ผมอยู่ที่ขนอยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันไม่อยู่ที่หนังอยู่ที่กระดูกอยู่ที่ปอดที่ตับที่ไตเราก็ต้องค้นหาดูตัวตนว่ามันมีอยู่ในร่างกายนี้หรือเปล่าพอคนไม่หมดครบอาการถามทีสองมันก็ไม่มีตัวตนอยู่ในร่างกายนี้เราก็จะได้รู้ว่าเป็นความหลงเป็นความคิดของเราขึ้นมาเองนั่นเอคุณวิไลครับ กาบเบียนถามการบูชาข้าวพระพุทธเป็นพิธีกรรมที่ถูกต้องไหมครับคือในสมัพุทธกาลพระเจ้ามาให้สร้างพระพุตธรูปอาจารย์กปสอนให้สร้างพระพุทธรูปก็ไม่มีการถวายข้าวให้กับพระพุทธมีคนเอาพระพุทธลูปมาถวายพระพุทธเจ้าวนี่ไม่ใช่เราเราไม่ใช่พระพุทธลูปเราคือธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตัดไว้อย่างนี้ เราไม่มีพิธีทาไม่มีไม่มีพระพุทธรูปในสังหาพุทธการถ้าอยากจะเจอพระพุทธรูปจะเจอพระพุทธเจ้าก็ให้ปฏิบัติปฏิบัติธรรมจะมีดวงตาเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นเราตถาคตพระเจ้าบอกอย่างนั้นคุณนรวิทย์ครับเมื่อรู้ได้ว่าคนไม่ดีมาพูดยุยงให้คนอื่นมาคิดไม่ดีกับเราเมื่อเราพยายามวางใจเป็นอุเบกขาแล้ว แต่จิตยังไม่วางเฉยได้ควรพิจารณาอย่างไรต่อดีครับก็ยังไม่เป็นโมเบคาจริงเลยอาจจะต้องใช้ปัญญาด้วยเสนะือกนะถ้ามีโมเบคาแล้วยังยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่เห็นตายรับนั่นเองเรายังไม่เห็นว่าคนที่เขายุยงส่งเสริมอะไรกันเนี่ยเราไม่สามารถไปบังคับก็ได้ไปควบคุมก็ได้ก็เหมือนดินฟ้ากันเขาจะพ้นจะตกหนาจะออกเราก็ห้ามเขาไม่ได้ คนที่จะยุยงให้พูดไม่ดีเกี่ยวเราแล้วก็ไปห้ามเขาไม่ได้ให้เห็นว่าเป็นอนัตตาไปแล้วเราก็ยอมรับได้คุณสิทธิรัตครับจะทําอย่างไรให้ชาติหน้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเกิดเป็นคนให้จดจําว่าต้องสั่งสมบารมีต่อเพื่อบรรลุนิพพานครับก็ต้องทําให้มันติดเป็นนิสัยไปทําทานให้เป็นนิสัยรักษาศีลให้เป็นนิสัยไปมันไม่มันไม่มได้อยู่ที่การจดจํามันอยู่ที่การกระทํา ทำไปเรื่อยๆมันก็ฝังอยู่ในใจเราไปเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆทำบ่อยๆทำมากๆมันก็จะกลายเป็นบารมีไปคุณเอกวิทย์ครับผมชวนเพื่อนมาปฏิบัติแต่เพื่อนบอกว่าสร้างบารมีไปก่อนแต่ผมกลัวว่าถ้ามาเกิดหลังศาสนาพุทธไม่มีแล้วจะแย่เอาเร่งปฏิบัติในชาตินี้ดีกว่าผมคิดถูกไหมครับใช่ถ้าปฏิบัติชาตินี้ได้โอกาสที่เราจะถึงจุดหมายปลายทางก็ทาได้ในชาตินี้เลย แต่ถ้าไม่มีแล้วเราก็ต้องสะสมบารมีเป็นกลับเป็นกันอีกหลายหลายแสนล้านชาติด้วยกันก่อนจะสะสมบารมีพอเพียงที่จะทำให้เราเป็นพระพุทธเจ้าเองคุณเบกกี้ครับช่วงที่ติดนิวรณ์เราสามารถเปลี่ยนไปเดินปัญญาได้ไหมครับอยู่ที่ว่าเราติดนิวรณ์อันไหนถ้าเราติดนิวรเก การมาราคาอยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนอย่นี้เราก็ใช้ปัญญาพิจารณาสุภาพดูร่างกายที่ไม่สวยงามของแฟนส่วนที่ไม่สวยงามของแฟนอย่าไปดูเพียงแต่ส่วนส่วนภายนอกให้ดูส่วนภายในด้วยอยู่อาการ3า2ที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังมันก็จะทำให้การมาราคามันลดลงได้หายไปได้ชั่วขา่าวคุณพลอยครับ อยากถามว่าเวลาเอาเงินของแม่ไปตลาดแล้วเงินเหลืออยู่ไม่เอามาคืนให้คุณแม่บาปไหมครับก็อยู่ที่ว่าคุณแม่เขาให้เรามาแล้วเขาต้องการเอาคืนมันบาปแล้วเขาต้องการเราคืนก็ถ้าก็เราเก็บไว้มันก็บาปนะไปขโมยเงินแม่ถ้าเราไม่แน่ใจก็เวลาเอาเงินเหลือก็อไปคืนแม่ก่อนถ้าแม่เขาไม่เอาว่าเอาไปเถอะไม่เป็นไรไให้ลูกไปเราก็เก็บไว้ได้แต่ต้องถามเขาก่อนจะดีกว่า เพราะยังเป็นของของแม่อยู่แม่ยังไม่ได้อนุญาตเราก็ทางขออนุญาตแม่ของเงินที่เหลยวนี้ไปใช้ได้ไหมถ้าแม่บอกได้ก็ออกไปก็ไม่มาคุณใบยก ค, ครับลูกคนหนึ่งเจ้าขาถ้าโรคที่รักษาหายลูกจึงจะรักษาถ้าโรคที่รักษาไม่หายลูกบอกครอบครัวว่าไม่ต้องรักษาถ้าตายก็เผาได้เลยคนอยู่จะได้ไม่ต้องลาบากและเหนื่อยครับดีถูกต้อง คุณวรกัญญาครับถ้าเราดับจิตเราเราจะได้เกิดทันทีไหมครับอยากทราบกรรมนี้ครับนราดับจิตไม่ได้หรอกจิตมันเป็นสิ่งที่ไม่ดับดับไม่ได้นี้เราก็ดับที่ร่างกายถ้าเราดับร่างกายแล้วก็ทําบาปเราก็ ท, าทําทอัตตาวินิจบาศใช่ไหมฆ่าตัวตายอยี่นี้ก็จะไปนรกเพราะเป็นเป็นกรรมที่หนัก นี่มันจะมีน้ำหนักมากกับบุญที่เราทำมาเพราะ้เวลาเราค่าตัวตายได้แลนะก็จะ ไ, ไปนรกก่อนคุณแต้มสีครับถ้าเรารู้สึกว่าอยู่ในฌาน20นาทีเวลาจริงจะ20นาทีไหมแล้วถ้าเรารู้สึกว่าอยู่ในฌาน2วัน2วันคืนเวลาจริงจะเป็นไปตามนั้นไหมครับก็ <c oughs> <c oughs> ดูแตตั้งเวลาไง คุณนพนันครับเวลาที่เราเป็นผู้สังเกตอารมณ์ทําไมผมรู้สึกถึงอารมณ์ยังอยู่ครับการสังเกตดูรมไม่ทําให้อารมณ์หายไปแต่จะทํำให้อารมณ์หายไ ป, ยไปต้องมีสติอยู่กับพุโทโธนรือยู่กับกรรมฐ า, า น, นอันใดอันหนึ่งมั น, นทีก็ทาให้อารมณ์ดับไปได้ชัว่วคราวคุณจิตติมาครับอยากหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากทุกข์ควรทําอย่างไรครับ ก็ควรปฏิบัติมักคแปดเือทานศีลภาวนานี้ยพยายามทำทานรักษาศีลแล้วก็ไปภาวนาไปถือศีลแปดไปภาวนาว่อยๆคุณน้ําหวานครับหากไม่สามารถฝึกจิตเข้าสู่สมาธิได้การนําหลักธรรมมาพิจารณาขณะนั่งสมาธิจะเกิดปัญญาได้มากน้อยเพียงใดครับก็จะได้ปัญญาในระดับที่สองเรียกว่าจินตามยภาพัญญา มันจะทํ า, าทให้เราไม่ลืมถ้าเราคิดพิจารณาอยู่เรื่อยๆมันก็จะทําทให้เราไม่ลืมแต่มันยังไม่มีกําลังพอที่จะเอามานดับความทุกข์ดับความอยากได้ต้องมีสมาธิก่อนต้องทําจิตเลสสงบให้ยิ่งเฉยให้ได้ก่อนคุณภูมิครับพระสกิตาคามีหนึ่งชาติกับพระโสดาบันขั้นเอกาพีชีหชาติคุณธรรมของท่านพระอริยเจ้าต่างกันอย่างไรครับทําไมเหลือหนึ่งชาติเหมือนกันครับ ไม่ทราบมนกนมีหรือเพราะโซลารมันที่มีพีซีกะพีซีเป็นยังไงไม่ทราบเพิ่งเคยได้ยินชันเอบไม่ทราบมันต้องอธิบายต้องไปอันนี้นเราไม่ทราบตอบไม่ได้คุณตายครับโยมสังเกตตัวเองแล้วรู้สึกว่าโยมอยู่ขั้นทานบารมีแล้วติดอยู่ขั้นนี้นานมากกว่าจะก้าวไปขั้นศีลบารมีศีลบารมีก็เพิ่งได้แค่ศีลห้าศีลแปดยังทำได้ไม่สม่าเสมอ มีหนทางไหนที่จะเป็นทางลัดในการบำเพ็ญบารมีทั้งสิบไหมครับไม่มีเราก็ต้องพยายามทำไปแต่ละขั้นไปจากสินห้าเราไว้ถือสินแปแล้วเราก็ไปนั่งสมาธิเพื่อจะได้เ อ, อเุเบกขาได้ อ, อุเบกขาแล้วเราก็มาใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมทั้งปวงให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข้า อ, อะไรทุกข์เพราะความอยากของเรา คุณน้ำหวานครับเริ่มปฏิบัติจากการอ่านและฟังคําสอนพระอริยะหากนั่งสมาธิแล้วยังไม่สามารถเข้าสู่สมาธิในระดับอัปนาสมาธิได้จะสามารถเริ่มพิจารณาธรรมได้ไหมคะจะมีโอกาสหลงทางหรือปรุงแต่งจิตหรือไม่ครับขอแนวทางครับถ้าพิจารณาแนวแนวของตายรักก็ไม่หลงทางถ้าพิจารณารอบแนวตายรักก็อาจจะหลงทางได้ ค, คุณชนทาราครับ ในชีวิตคารวาดการไม่เบียดเบียนผู้อื่นใส่บาตและถือศีลแต่ไม่ค่อยได้เข้าวัดฟังพระธรรมอยู่เนืองๆถือว่าได้สั่งสมบุญได้ไหมครับว่า ไ, ได้ก็ได้ทานบารมีแล้วก็ได้ศีลบารมีคุณการครับหนูไม่ค่อยได้ทําทานเป็นสิ่งของบ่อยแต่พยายามฝึกอภัยทานให้บ่อยอันนี้ได้กุศลเท่ากันหรือไม่ครับไม่ทราบว่าจะเท่ากันหรือเปล่านะมันก็เป็นทานอย่างหนึ่งเหมือนกัน นอกจะกยกไว้ว่าถ้าเราไม่มีข้าวของเงินทองเราก็ให้ทานให้อภัยทานไปแต่ถ้าเรามาีแล้วไม่อยอมให้ให้ข้าวของเงินทองก็แสดงว่าเรายังตนันดยังยึดติดกับข้าวของเงินทองอยู่ก็ได้กานทำทานเพื่อให้เราลดความยึดติดความตันดีกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองนั่นแหคุณมนธนาครับ ฟังพระอาจารย์มาตลอดพระอาจารย์มีสติเวลาคุยตลอดโดยเฉพาะเวลาตอบคำถามตรงนี้เกิดจากการฝึกภาวนาใช่ไหมครับก็สติเนี่ยการฝึกสติเป็นจุดเริ่มต้นของงารปฏิบัติถ้าเราฝึกสติเรื่อยๆต่อไปสติมันก็จะเป็นสติอัตโนมัติมันก็จะเป็นนิสัยไปมันเนีจยทําอะไรนั้นจะทํามีสติอยู่ทุกเวลาไม่เผลอไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณเข็มจิลาครับ ฟังธรรมะอ่านหนังสือธรรมะปฏิบัติธรรมกรรมฐานเมื่อมีโอกาสแล้วเกิดความเบือ่อการใช้ชีวิตแบบคารวะ ท, ที่ต้องทำงานเลี้ยงลูกมองดูลูกๆแล้วเขาก็คือหนึ่งในผู้มาเกิดแก่เจ็บแล้วก็ต้องตายเหมือนๆกันคิดแบบนี้เป็นแม่ที่เห็นแก่ตัวหรือเปล่าครับไม่หรอกเราคิดตามความเป็นจริงอความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้เพียงแต่ว่าถ้าเรายังมีความรับผิดชอบต้องเงดูเขาอยู่นี่ถ้าเราทิ้งเขาเน่ยก็อาจจะเรียกว่าเป็นเห็นการเห็นแก่ตัวได้ แต่ถ้าเราเราทิ้งเขาแล้วเรามีคนอื่นมาดูแลแทนเขาก็ก็ก็กยังใช้ได้อยู่อย่างพุทธเจ้าจก็ทิ้งภรรยาทิ้งลูกไปบวชแต่ท่านรู้ว่ามีคนมาดูแลแทนท่านได้ท่านก็เลยไม่อืไ ม, ไม่ไม่กังวลไม่ไม่รู้สึกว่าเขาท่านเห็นแก่ตัวเพราะท่านต้องไปทําหน้าที่ของท่า น, นคุณพอลครับการทําภาวนาจะเริ่มต้นภาวนาอย่างไรแล้วควรทําหลังนั่งสมาธิจนจิตนิ่งแล้วใช่ไหมครับ ขอบคุณพอาจารย์ครับคาว่าภาวนานี่มีสองระดับไระดับแรกเนี่าสมาถะภาวนาคือการทําสมาธิระดับที่สองก็คือวิปัสสนาภาวนาคือการเจริญปัญญ า, างั้นเบื้องต้นเราต้องทําสมาถะภาวนาก่อนฝึกสมาธิให้จิตสงบให้นิ่งให้ได้ก่อนหลังจากเราได้ความนิ่งแล้วเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วก็มาฝึกปัญญาพยายามมองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นตายรั เป็นะนรที่จำทุกครังอน้า ต, ตาคุณเพชรตะวันครับถ้ามีแค่สีลห้าไปถึงทาขั้นไหนครับก็แค่ท า, คาแค่สี่ห้านะสไปสูงกว่านั้นไม่ได้คุณจุธารัตน์ครั บ, รครบเคยโกรธคนที่เคยคบกันมากไม่ดีไม่ได้ให้อาภัยเขาในตอนนั้นสามสิบกว่าปีที่ผ่านมาตอนนี้ให้อาภัยแล้ว จำเป็นหรือไม่ต้องให้เจ้าตัวรับทราบเพื่อให้หมดเวรหมดกรรมต่อการปัจจุบันนี้ไม่ได้เจอเขามีครอบครัวแล้วครับเอถ้าไม่เจอกันก็ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยถ้าเราให้อาภายัยเขาแล้วเราก็ปลดเรื่องอความทุกข์ที่มีอยู่ใ น, ในใจเราที่เกิดจากความโกรธเขาได้ส่วน ก, ก็จะรู้ไม่รู้ไม่สําคัญนอกจากเขาอยากจะถามเจอกันแล้วก็เราก็ดูปฏิยาของเราว่าเรา เราเป็นวิจฉาเขาด้ยยังเป็นศัตวูกับเขาอยู่ถ้าเราเป็นมิจฉาเขาอยู่เขาก็รู้ว่าเราให้อภัยเขาแล้วคุณชมศักดิ์ครับใกล้ปีใหม่ไม่มีวันหยุดเยอะขอไปอยู่วัดรับใช้พระอาจารย์ขอกินข้าวคนบาตรอาจารย์ได้ไหมครับก็อยู่ที่ว่ามีที่หรือเปล่าเพราะบางทีการจะอาจจะมีคนมาขอพักเยอะในช่วงวันหยุดยาวๆเวาลองติดต่อกับ พระอยู่พระจะอยู่บนขาว่ามีที่ว่างไว้วันนั้นวันนี้คุณใบรยกครับการที่ลูกไม่มีแฟนถือว่าเป็นการรักษาสินแปดไปโดยอัตโนมัติไหมคะลูกไม่กินไม่ดื่มไม่เที่ยวและอยู่คนเดียวไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเฉยๆปกติอยู่คนเดียวที่ร้านกิจการเลี้ยงเด็กของตัวเองครับก็นอกจากการไม่มีแฟนแล้วมันยังมีเรื่องอื่นที่ศินแปดห้ามอยู่ เรายังไม่ให้หาความสุขจากการดูการฟังร้องรำทำเพลงไม่ให้หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความางามไม่ให้นอนอไม่ให้มันนอนบนเตียงผูนะนะ้คนนาที่มันสบายให้นอนบนเตียงที่พื้นแข็งๆแล้วก็ให้ไม่ให้กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วมันมีหลายข้อด้วยกันไม่ใช่เฉพาะข้อไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีแฟนอย่างเดียวพราไม่มีแฟนก็คือข้อสามอบรบมจริอา ยังมีข้ออื่นที่เราต้องรักษาให้มันครบแบดข้อด้วยกันคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับ Our body and life is being given by our mother and father. If we do not take good care of our body, for example drinking a lot of alcohol or doing some plastic surgery, are we carrying out bad karma? Yes, if doing, you drink, you you're doing bad karma. As far as doing plastic surgery, it depends whether you're hurting the body or not. If you're not hurting the body, then s t a n d b a c karma. ขอบเวลาแลครับอาจารย์ในคำถามอีกพอสมควรครับอาจารย์ขอโอกาสครับผมวันนี้ใน Facebook มีเพื่อนๆฟังอยู่ 1,004 คนครับใน YouTube 666คน ในคาบเขาอีก8คนวันนี้มีเป็นเพื่อนฟังธรรมด้วยกัน 1,678 คนครับอาจารครับเยอะเหมือนกันคราที่น่าพันเจ็ดใช่ไหมครับผ ม, ม, มก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาร่วมฟังธรรมกันหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางของการปฏิบัติ ท, ที่ถูกต้องต่อไปการแสดงธรรมสนรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่ยงยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุขอลาคุณหมอไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเช่นเคยขมอจัเรรญพรกลับกับคุะพระาจารย์ครับ